อาจารย์ครับจากนวัตสการครับผมเจาริ์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านถ้าพระอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์บินถบาทคนเยอะไหมครับผม475อ๋อวันนี้เยอะ475ทั้งบ้านเนี่ยประมาณ150โอ้กห600กว่าคนวันนี้วันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ธรรมดาหรือวันพานวันเป็นวันอาทิตย์ธรรมดา แน่อูทำไมคนเงียบจังครับก็ไม่แน่บางทีเขาผ่านมาเท่านี้เขาก็เลยว่ามาสลายกันก็ได้ครับผมอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดนะครับอาจารย์ครับก็วันนี้ตั้งหัวข้อคําถามแรกเรื่องชะตาชีวิตครับเพราะว่าบางคนก็สงสัยว่าเออทำไมเกิดมาแล้วเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ที่แตกต่กางกันแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยเราพอจะ เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันดีขึ้นได้ไหมครับอาจารย์ครับกัค บ, บความเมตตาครับผมคือการที่เรามาเป็นอะไรกันนี้ตามหลักธรรมนั่ก็สแสดงว่ามันเกิดจากบุญหรือบาปที่เราเคยทำไว้แน่ดีมันก็จะมาส่งผลต่อเวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์คนที่ทำบุญก็จะได้ดิบได้ดีหรือจะมี เกิดในฐานะร่ำรวยหรือฐานะดีรวยมากรวยน้อยก็อยู่ที่ทำบุญมากทำบุญน้อยแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาสวยงามสุขภาพาแข็งแรงมีอวัยวะครบสามสิบสอง 32, ไม่พิกนพิการไม่มีโรคภัยเบียดเบียนอายุยืนยาวนาน อันนี้ก็ตามหลักของกรรมก็ว่ากันกันอย่างนั้นอันนี้ส่วนผู้ที่ทำบาปมากกว่าทำบุญเนี่ยก็จะมาเกิดค่อนข้างที่จะอาภัพ ย, ยากจนแล้วก็สติปัญญาหันไม่ดีได้สติปัญญารูปร่างหน้าตาไม่สวยงามมีอาการไม่ครบสามิบสองมีลเล้ภปยไข้เจ็บเบียดเบียน อายุสั้นเหล่านี้เป็นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดต่างกันสูงต่ำต่างกันแต่พอเรามาเกิดแล้วเนี่ยเรามาอยู่ในโลกที่มีกฎอีกอย่างที่เป็ดก็กฎของใจละโลกเหล่านี้มีปัจจัยที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะแยะที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเราได้คือเราอยู่ในโลกของอนิจจังไม่เที่ยง มีภาวะรอบตัวเราที่มามีผลกระทบต่อชีวิตของเรานี่มันมีหลากหลายด้วยกันเช่นมันก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่พฤตกรรมของเราเองการกระทําของเราก็มีส่วนถ้าเราทําดีขยันมือนกัน่าจะดีขึ้นถ้าเราเกียจคร้านถ้าเราไปเสพบาบายามุกอะไรอย่างนี้มันก็จะทําให้เกิดการภาวะถดถอยลดลงได้ พฤติกรรมของคนอื่นก็อา จ, จะมีผลกระทบต่อเราได้เหมือนกันทําให้เราจะเรียนเสริมได้จากพฤติกรรมของผู้อื่นหรือเกิดจากภาวะของสังคมที่อาจจะมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดีบ้างไม่ดีบ้างภาวะเศรษฐกิจภาวะสิ่งแวดล้อมภยัยธรรมชาติต่างๆตอนนี้มันเป็นปัจจัยที่สามารถที่จะมากระทบกับการดํำรงชีพของเรา ให้เราเจริญยศเสื่อมในราบยศเสื่อมสุขได้ฉะนั้นเราตามหลักธรรมแล้วก็ถ้าเรามาเกิดแล้วถ้าเราเข้าใจหลักความไม่แน่นอนของของโลกธรรมแล้วสิ่งที่เราควรทําก็คือพยายามอย่าไปเพิ่มโลกธรรมให้มันมากเกินไปพยายามเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการที่จะหาความสุขจากโลกธรรมจากราบยศเสริญ จ, จากการเสพรูปเสียงกิ่นลด ก็มาหาวิธีที่มันมั่นคงองกว่าคือาการหาความสุขจากการทำใจให้เราให้สงบโดยการไปปีกวเิเวกไปภาวนาปฝึกสตินั่งสมาธิแล้วก็ไปจจรณญปัญญามันก็นจะสร้างคุ้มภูมิคุ้มกันให้กับใจเวลาที่เกิดการเสื่อมทางด้านราบยศสารเสริญสุขใจก็จะไม่เดือร้อนมากเกินไปเพราะมีความสุข ที่ทำได้จากจากการทําใจให้สงบแล้วก็มีปัญญาสอนใจให้โปร่งไม่วางว่าเราอยู่ในโลกของตายร่างของความไม่แน่ น, นอนมีการขึ้นมีการลงมีการเจริญมีการเสื่อมเป็นธรรมดาอันนี้มันก็จะทาให้จิตใจเราค่อยๆที่จะสงบไม่เดือดร้อนกับชะตาชีวิตของเรามันจะขึ้นก็จะลงละรับได้ทั้งสองอย่างถ้าคนที่มี ความสงบมีปัญญาคอยสอนใจให้ให้เห็นความแป้ป่วนความเปลี่ยนแปลงของของชะตาชีวิตของคนเราทุกคนว่ามันนี้ขึ้นได้มันก็มีลงได้มีเกิดมันก็ต้องมีดับได้เป็นธรรมดาถ้าเรามีภูมิคุ้มกันด้วยสติด้วยปัญญาใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับชะตาชีวิตของเราไม่ว่าจะมันจะเป็นไปในทิศทางใหนก็รับมันได้ ก็อาจารย์ปุ๊บเหมือนมีเรื่องของกฎแห่งกรรมอันหนึ่งกับกฎของไตรลักษณ์อีกอันหนึ่งใช่ไหมครับกฎแห่งกรรมก็เป็นเหตุพายเรามาเกิดสูงต่ําครับในอดีตกรรมที่เราทํามามแล้วก็พอมาเกิดในโลกของไตรลักษณ์โลกของที่มนุษย์เราอยู่นี่เป็นโลกทาตุสีมันก็มีปัจจัยที่แปดปวนเปลี่ยนไปธาตุสีในน้ำลมไปมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันอากาศ มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็มีคนกระทบต่อสิ่งอย่าง <S 2> <S 2> อื่นเช่นการเพาะปลูกการอะไรต่างๆมันก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อรายได้ของผู้ของมนุษย์เนี่ยมันกระทบยาวเป็นเป็นเป็ น, ปนพวงไปเลยครับแล้วสิ่งเหล่านี้บางทีเราก็เป็นสิ่งที่เราเราไปควบคุมบังคับไม่ได้นะครับ ทุกปีก็มีมีการทำแรกนาขวัญนะมันเพื่อชะมงคนเพื่อจะได้พยากรว่าปีนี้น้ำจะดีหรือไม่ความจัจะดีหรือไม่พืชพันธุ์จะเจริญปลูกข้าวได้มากได้น้อยอันนี้ก็แสดงถึ ง, งความเห็นว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วก็จะมีผลกระทบต่อพวกเราที่อยู่ในโลกนี้ที่เรายังต้องอาศัยพืชพันธุ์ต่างๆ เป็นการเลี้งชีพมันก็เลยทำให้มีการขึ้นของเจริญของเศรษฐกิจมีการเสริมของเศรษฐกิจแล้วนอกนั้นพฤติกรรมของมนุษย์เราแลบางทีก็มีปัญหากันวิวาดกันแย่งแย่งชิงดีกันก็เกิดสงครามขึ้นมาบางประเทศก็มีสงครามมาอยู่เรื่อยๆนี่มันเป็นเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในเรื่องนี้ที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมมังครับเันได้ เมืม่อเรามเกิดแล้วเราก็ต้องเข้าใจความเป็นจริงของสภาพของโลกที่เราอยู่ที่อาบอกมันเป็นโลกของใจละโลกของอนิจจังไม่เทียมเมื่อไม่เทียม่สร้างความทุกข์ให้กับพวกเราสร้างความทุกข์ในใจให้กับพวกเราอนน้ำตามันเป็นสภาพที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้เสมอไปแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือลดความทุกข์ใจได้ ด้ยการปล่อยวางไม่ไปยึดไปติดกับสิ่ง ต, ต่างๆที่มีในโลกนี้ถ้าเราปล่อยวางได้หมดเราก็จะไม่ทุกข์เลยอย่างพระพุทธเจ้าพระอานนท์นี้ท่านปล่อยหมดถ้าไม่ยึดกับนาบยึดสารเสริญสุขถ้าไม่พึ่งลาบยึดสารเสริญสุขเป็นสิ่งให้ความสุขกับท่านเพราะท่านมีความสุขที่เกิดจากการเจริญสติการเจริญปัญญาทาให้จิตใจของท่านสมบมีความสุข มีอเบกขา่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่กับความสงบของพันุ์นิพานได้มีความสุขมากกว่าที่จะมาเาความสุขจากสิ่งที่ไม่แน่นอนในโลกนี้ก็คือราบยอดสรเสริญและรลดเสียงกลื่อนลดทุก่างๆเพราะว่ามีบางคนเขาเข้าใจผิดไปว่าทําความดีถ้าตายถ้าผลไม่ผลดีไม่ปรากฏอะไรอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นผลจากไตรลักษณ์นี่เองใช่ไหมครับ คือเขาไม่เข้าใจว่ากฎแห่งกรรมนี่มันเกี่ยวกับจิตใจซึ่งเวลาร่างกายตายไปในจิตใจยังอยู่ต่อแต่เราเปลี่ยนชื่อจากจิตใจว่าเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี่แหละจะถูกบุญและบาต ท, ที่เราทำในชาตินี้ไปส่งผลให้เราไปอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในนรกจนกับบุญและบาต ท, ที่เราทำนี่มันหมดอิทธิพลต่อจดวงวิญญาณดวงวิญญาณเราก็จะมาได้ร่างกาย เหตุที่เรายังมามีร่างกายมาอยู่ก็เพราะกิเลสตัณหาภายในใจเราเรายังมีความอยากเสีรูปเสียงกลิ่นล้อยู่ยังมีกาวาตัณหาอยู่มีภาวะตัณหาอยากร่าอยากรวยอยากสุขอยากเจริญอยู่มีวิภาวะตัณหาความอยากไม่ไม่ไม่เสือ่อมไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่อะไรต่างๆที่ไม่ดีทั้งหายตัวนี้มันก็จะผลักดันให้ดวงวิญญาณเราไปมีร่างกายใ ห, หม่ แล้วก็มาเกิดใหม่เนี่ยพวกเราเนี่ยตอนนี้ได้นั่งกายใหม่เกิดแล้วเราก็มาทําสิ่งที่เราอยากจะทํากันอีกก็หาความสุขจากลาภยศสรรเสริญเนี่ยอย่างที่เราก็หากันอยู่แล้วก็แล้วก็มาเกิดสูงมากต่ำบ้างก็ขึ้นอยู่กับบุญกบาฏที่เราทําจากชาติก่อนเนี่ยอันนี้ไม่มีวันจบไปเรื่อยๆจะจบต่อนเมื่อเราปฏิบัติภพธรรมะคําสอนพระเจ้าแล้วนาเอาธรรมะเอา พระเจ้ามาหยุดความอยากต่างๆกาจัดความอยากให้หมดแล้วก็อย่าทํำบาปทาแต่ความดีเนี่ยพบชาติก็จะสิ้นสุดลงก็งไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกของอนิจจ์ทุกขั้งนัตาต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาครับขอบคุณพระอาจารย์ครับก็ต้องเข้าใจกฎแห่งกรรมแล้วมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ก็จบกิจเลยครับอาจารย์ มันต้องเข้าใจทั้งสองอย่างมันคนละเรื่องกันกฎแห่งกรรมนี่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจให้สุขให้ทุกข์ให้จิตใจสูจงเมื่อต่ำให้มาเกิดรวยแล้วจนกัน ด, ดีแล้วไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมถ้าเรามาอยู่ในโลกของของตายรักโลกกระ Than น, นี่มันก็มีกฎของตายรักเป็นตัวควบคุมทําให้ทุกอย่างในโลกนี้มันแปรปรวนไปเปลี่ยนแปลงไปไม่มีใครคาดคะเนได้ว่าอะไรจะเกิดจะ เมื่อไม่กี่ปีก่อนนี่เราก็มีโรคกระบายก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปข้างหน้าก็ไม่รู้จะมีอะไรอาจจะมีสงครามอีกหรือเปล่าสงครามมากกว่า น, นี้หรือเปล่าสงครามใหญ่กว่า น, นี้หรือเปล่ามันมีอะไรที่ปเกิดที่มันมันทําให้เราไม่สามารถที่จะไปพึ่งพาสายสิ่ ง, งต่างๆในโลกนี้ได้มันถึงทาให้เราทุกข์กันวิตกกังวดกัน วิธีที่ดีสุดก็คืออย่าไปอาศัยสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ความสุขอย่าไปหาล่ามยศสารเสริญสุขทำตัวทำทำตามวุฒิย่าสละราช ส, สมบัติไปบวชนะไปหาความสุขที่เกิดจากความสงมบมล้วก็จะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่เดือดร้อนกับความความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายด้วย กายุติการกลับราเมีนไม้ตายเกิดต่อไปคขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้ปัญญาครับผมขอาการถามคําถามจากเพื่อนๆนบ้างนะครับจากคุณออยบอกว่านั่งกับคนที่โก่นบ่นด่ากเกือบทุกคําที่พูดที่ทํางานครับคิดอย่างไรให้เรารอดจากการติดพฤติกรรมแบบนี้ครับติดพฤติกรรมของเขาเลยหรือว่ายัางไนจะทําให้เราต้องอยู่กับเขาได้ น่าจะทั้งสองลักษณะเลยไหมครับอาจารย์ครับก็เรารู้ว่าพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ดีแล้วก็อยากไปทําตามเลยอย่าไม่เอาเยี่ยงอย่างเข้ามาถ้าเรารู้ว่าพฤติกรรมนี้ทําให้คนอื่นเขาําคาญเช่นเขาทําให้เราลาคาญเราก็อย่าไปทําพฤติกรรมนี้เพื่อเราจะได้ไม่ไปทําให้คนอื่นเขาลำคาญแต่ถ้าถามว่าเราจะทำไงถ้าเราต้องอยู่กับเขาแล้วก็ต้องทําใจ <c oughs> ก็คิดเขาว่าเป็นตายรักเข า, าเป็นอนิจจัง ก็าแบนหน้าตาเขาเป็นสภาวะธรรมที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังครับก็ได mm ้ hmm. เขาเป็นของเขาอย่างนี้จะเอาอย่างไง <Okay. S 1> ถ้าอยู่ไม่น่าก็ต้องแยกทางกันไปลาออกจากงานไปหางาที่ไปไปทํางานที่อื่นต่อไปคุณแว่นครับเมื่อเข้าไปทํากรรมฐานในวัดในทนี่วังเวงเช่นในป่าช้าแล้วรู้สึกกลัวผีกลัวความมืดขนลุกขนพอง ควใช้กรรมฐานใดที่สามารถจํากัดความกลัวลงได้ครับก็คนที่จะไปอยู่ในที่นั้นได้ต้องมีสติพอสมควรสี่สามารถที่จะเจริญสติเวลาที่เกิดความกลัวได้ถ้ามีสติเจอความกลัวเจอสิ่งที่นาาา่ากลัวพระเจ้าก็บอกให้แล้วเลิกถึงว่าพุทธธรรมประสงค์ก็ได้ในบริกรรมพุโทโธธรรมโมสังโคไปหรือยาวพุโทโธอย่างเดียวก็ได้ธรรมโมอย่างเดียวก็ได้สังโค อ, อย่างเดียวก็ได้แล้วแต่ จะถูกเจริล ก, กับเราเราก็บริกรรมไปอย่าให้ใจไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้มันเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วพอเราไม่ไปคิดถึงมันความกลัวก็จะหายไปจิตก็จะสงบอาจารย์ครับที่พระอาจารย์สอนว่าผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงอย่างนี้เป็นปัญญาไหมครับอาจารย์เป็นปัญญาแล้วเราจะสามารถจะเชื่อจะมองเห็นตามที่ที่ปัญญาบอกได้งหรือไม่ <c oughs> ถ้าเราบอเไม่นีอะผีที่หลเราตอนนี้เราเปนเราคิดขึ้นมาเองเราไปอยู่คนเดียวแล้วเราก็นึกขึ้นมาเองได้ยินเสียงอะไรหน่อยก็แค่ว่าเป็นผีมาเห็นอะไรแว๊บๆขึ้นมาก็แค่ว่าเป็นผีมาครับมีความกังวลใจกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงชอบคิดมากในสิ่งที่ยังไม่เกิดครับจะทำอย่างไรครับ แลก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอนาคตไม่แน่นอนว่าอะไรก็จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ทำใจเสียว่ายอมรับกับสภาพที่มันไม่แน่นอนและเราไม่สามารถไปควบคุม ม, คมันได้เปลี่ยนมันได้อะไรจะเกิดก็เกิดก็ต้องฝึกใจเราให้รับกับสภาพต่างๆที่เราไม่อยากจะเจอให้ได้ที่เราไม่อยากจะเจอ ความทุกข์ยากลำบากมันก็อาจจะต้องคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้งั้นวิธีที่จะทำให้เราผ่านมันได้คือเราก็ต้องซ้อมหัดอยู่แบบทุกข์ยากลำบากหรือว่าซ้อมลบเนี่ยถ้าเราคิดว่าขอขาจะมีสงครามเนี่ยเราก็ต้องซ้อมลบกันตเต็มลบกันเพื่อเวลาที่เกิดสงครามเราก็จะได้สามารถต่อสู้กับข้าศรรึกได้นี่เราก็ต้อง เหมือนกับจินตนาการหรือจำลองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วฝึกจิตฝึกใจเราให้รับประมันให้ได้เช่นที่พระมีสอนให้ให้ตายก่อนตายเนี่ยก็เป็นการจำลองเหตุการณ์จำลองว่าเราจะต้องตายเราจะต้องทำในเวลาเราตาย ต, ตายเราก็อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่หายใจเราก็ไม่ต้องทำเลยเราก็ไม่อยากได้ ไ, ไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรก็ลองพันอยู่แบบนั้นให้ได้ ถ้าอยแบบนั้นได้เวลาตายก็ไม่เดือดรอนคุณลิซ่าครับขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะวิธีการวางใจให้เป็นอุเบกขาในการเลี้ยงดูสั่งสอนลูกเพราะมีความวิตกกังวลเป็นห่วงและหวังดีกับลูกมากจนบางครั้งทําให้ตัวเองรู้สึกวิตกกังวลครับก็ต้องมาเลืกว่าเป็นสภาวะธรรมเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถที่จะไป ปกป้องรักษาหรือทําให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้เสมอไปดินฟ้าอากาศเราก็ควบคุมบังคับไม่ได้อย่างไรลูกเราก็เป็นแบบดินฟ้าอากาศทํามองแบบนั้นแล้วเราก็จ ะ, ะตรงได้ทําเท่าที่เราทําได้ส่วนผลที่จะเกิดกับเขาจะเป็นอย่างไรบางที่เราก็ควบคุมบังคับไม่ได้ คุชาติบอกว่าไม่ทุกข์ไม่สุขจะกําหนดจิตผู้รู้อย่างไรครับไม่ดูถ้าไม่ทุกขไม่สุขก็ไม่ต้องกําหนดอะไรกันได้ที่เราทําให้กําหนดก็เพื่อระงับความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์ก็เหมือนกับเหมือนกับคนไข้น่ะคนไข้ที่หายจากโรคภัยแล้วก็ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปกินยาการที่เรากําหนดจิตให้พวกควบคุมจิตไม่ให้สร้างความทุกข์กับเราเราความทุกข์ส่วนใหญ่มันเกิดจากจิตเราเป็นคนสร้างขึ้นมา ที่เราฝึกจิตกันนี่ก็เพื่อควบคุมจิตไม่ให้สร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเราไม่มีความทุกข์เราก็ไม่ต้องทําอะไรก็อยู่แบบสบายสบายไปเป็นคนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องหายไม่ต้องกินยาคุณเพิ่มสักครับเรียนถามนะครับข้อที่หนึ่งนั่งสมาธิจน จ, นจิต ด, ดับจิต ด, ดับมีอาการอย่างไรครับอคุณนั่งจนจิตดั บ, บแล้วคุณมาถามเราได้ยังไง ว่าจิตมันไม่ดับมันจิตไม่มีวันดับนะคุณไม่ทราบไปเอาข้อมูลมัาจากไหนว่าจิตดับจิตสงบไม่ใช่จิตดับนะจิตสงบก็คือจิตนิ่งความปัสจาความคิดปรุงแต่เมื่อจิตไม่คิดปรุงแต่จิตก็จะเบาจะเย็นจะสบายจะมีความสุขแล้วเขาถามในลักษณะอาจารจิตที่มีความสงบจะอยู่ในฌานอะไรครับอาจารย์คือมันมีฌานที่สี่สี่ฌานแปดฌานด้วยกัน ก็ลองทําดูว่าเรามันจะอยู่ชา้นไหนก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนที่จะทําไปถ้าอยากจะรู้ว่ามีอาการลักษณะอย่างไรก็ไปเปิดหนังสือตำรานอยู่ก็ได้เขาจะเขียนบอกว่าชา้นที่หนึ่งมีอะไรบ้างชานที่สองมีอะไรบ้างชานที่สามมีอะไรบ้างแต่เราไม่ค่อยกรสนใจเราขอให้มันสงบอย่างเดียวไม่ไ ม, ไม่ไม่ทุกให้มันเป็นอุเบกขาวางเฉยได้ก็พอมันจะเป็นชา้นไหนก็ไม่สําคัญขอให้เราปล่อยวางให้ได้ ขณะที่จิตสงบยังมีสติอยู่หรือเปล่าครับอ๋อต้องมีแต่ถ้าไม่มีไม่มีสติจิตจะไม่สงบขณะที่จิตสงบจะทําวิปัสสนาได้ไหมครับไม่ได้เวลาสงบมันไม่จิตไม่ได้คิดอะไรจะทําวิปัสสนาต้องรอให้ออกจากความสงบก่อนแล้วค่อยมาเจรดญวิปัสสนามาพิจารณาตายรักต่อไป คุณก้อยครับนั่งสมาธิแล้วใจคิดไปโน่นไปนี่แล้วสามารถดึงกลับมาได้ทุกครั้งอย่างนี้มาถูกทางไหมครับก็มาถูกทางแต่ยังไม่ถึงจุดจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางต้องไม่ให้มันไปไหนเลยให้มันวิ่งเฉยให้มันให้มันอยู่เฉยเฉยโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับมันอันนี้ต้องคอยบังคับมันคอยดึงมันกลับมาอยู่มันทำกระทั่งมันนอนมันมันเหมือนกับมันนอนหลับเลยเหมือนถ้าเราเฝ้าเด็กเนี้ย ก็ต้องเฝ้าไปจนกว่าเด็กมันจะหลับนะถ้าเด็กหลับแล้วเราก็ไม่ต้องมาคอยเฝ้าเด็กอย่างต่อไปอีเกเรื่องเหมือนกันให้มันสงบให้มันนิ่งก็เหมือนกับเด็กหลับพ้าถึงจุดนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะเราก็จะอยู่กับมันอย่างสงบอย่างสุขอย่างสบายคุณสุลดาครับการอยู่ร่วมกับคนพาลต้องปฏิบัติตัวอย่างไรตอนนี้ใช้ทำผมวิหารสีอยู่ครับก็ ถ, ถูกแล้วไงก็ใช้ความเมตตากับเขาถ ไม่ตาละตากาลนิถ่าเขาต้าพบปะการเจอกันก็ทักทายกันถ้าอยากจะให้เขามีความสุขเช่นวันเกิดเขาก็ซื้อของขวัญให้เขาไปถ้าเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาถ้าช่วยเหลือได้ก็ใช้ความการุณาถ้าเขาได้ดตได้ดีก็แสดงมุนิตาจิตแสดงความยินดีกับความความเจริญของเขา ถ้าเขาเป็นอะไรแล้วเราช่วย ful, เดี๋ยวเาไม่ได้เราก็ใช้อุเบกขาทำใจเฉยๆไปวางให้เป็นกรรมของเขาไปยิ่งเขาไปเป็นโรงมาเรไงอย่างนี้เราก็ช่วยเหีืออะไรเขาไม่ได้จะไปทุกข์กับเขาไปอะไรมันก็ไม่ได้เปลี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้เราอย่าไปทุกข์ใจกับความเป็นอะไรของเขาไปถ้าเราช่วยเหลือวเขาไม่ได้ก็ต้องวางใจให้เป็นอุเบกขาวางเฉยไว้อันนี้แหละผมไม่หารสี่ ท, สที่เราควรจะใช้กับทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนที่เราลัดคนที่เราไม่ลัด ก, ก็เหมือนกันเราก็ต้องหาดใช้ยพรมิหารสีนี้แล้วเราก็จะอยู่ขเขาได้ยังไม่เดือดร้อนคุณเจีย๊ยบบอกว่าอ น, นิสงเราใส่บาต ท, ทุกวันอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้ก็ได้ทานบาลเมะได้สะสมความสุขใจที่จะส่งให้ใจเราไปสวรรค์ถ้าถ้าเราไม่ได้ทำบาปหรือถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปบุญนี้ก็จะ ส่งผลก่อน้วส่งให้เราเวลาตายเรก็จะอยู่บนสวรรค์และเวลาเราเกลับมาเป็นมนุษย์ล้าก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่มีฐานะที่ดีคุณมาลีครับเรียนถามพระอาจารย์ครับในยุคนี้มีความจำเป็นต้องใช้เงินในการที่เราถวายเงินใส่ซองในบาทแล้วเขียนว่าใช้ในกิจของสง์เป็นการอาบัติไหมครับคืออาบัติที่มันเป็นเรื่องของพระ แล้วถ้าพระท่านทาผิดพระวินัยก็บาปแต่โยมนี่ไม่ไม่บาปในการให้เงนินให้กับพระเป็นแต่ว่าพระต้องรู้จักวิธีรับที่ที่ไม่ผิดพระวินัยก็คือต้องบอกให้โยมฝากไว้กับลูกศิษย์คนใดคนหนึ่งที่พระกําหนดขึ้นมาแล้วพระก็จะเวลาต้องการที่จะใช้เงินก็จะเรียกจากลูกศิษย์คนนั้น เป็นการทํา้เงินถอยได้แต่ต้องถอยให้มันถูกหลักพระวินยัยนั่นเองคุณวรพลครับสมาธิทำให้หลุดพ้นได้อย่างไรครับสมาธิตามลำพังทำให้หลุดพ้นไม่ได้สมาธิทำให้จิตสงบถ้าจะเรียกว่าหลุดพ้นก็หลุดพ้นแบบชั่วข่าวขณะที่จิตสงบในอยู่ในสมาธิก็หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ แต่พอออจากสมาธิมาความทุกข์ต่างๆที่หายไปก็จะกลับคืนมาได้ถ้าอยากจะให้หุดพ้นอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญากำจัดเหตุที่ ท, าทํ า, าหหททให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาก็เหตุเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ก็คือความอยากทางงามกิเลสตัณหาที่ต้องต้องใช้ไตรลักษณ์และอริยสัจสี่มากําจัดมันคุณอรพินครับ เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกชะตาชีวิตได้เข้าใจถูกไหมครับเราเลือกเกิดไม่ได้ชะตาชีวิตเราก็เลือกไม่ได้คือเราเรามากำหนดได้แต่จะได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องแน่นาจะว่าเราจะไปเป็นนายกเนี่ยมันจะได้หรือไม่ก็อยู่มันให้มีเหตุปัจจัยหลายอย่างด้วยกันเด็กบางคนอยากจะเรียนแพทย์บางทีก็ไม่ได้เรียนก็มีเหมือนกัน เรากำหนดชะตาได้แต่จะได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับกฎของตายรักเหมือนกันไม่มีอะไรแน่นอน <c oughs> คุณไอรินถามว่าอุเบกขากับการเพิกเฉยต่างกันอย่างไรครับอุเบกขาคือก็คือการไม่มีอารมณ์รักชงกังโกรธหลงกับเหตุการณ์ต่างๆแต่ไม่เพิกเฉยมีอะไรทําได้ก็ทำํำแต่จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆจเฉยได้ เวลาใครชมก็เฉยได้ใครด่าก็เฉยได้คุณวิลาศนีถามว่าทำปลาเป็นทุกวันบาปไหมครับปลาเป็นคืออะไรไม่ทราบครับอาจารย์ถ้าข้าปลาก็าบาปนะคุณไก่บอกว่าถ้าอยากมีโชคลาภและมีหน้าที่การงานที่ดีต้องทำบุญอย่างไรครับ ก็อย่างที่บอกบุญชนใหญ่มันจะส่งผลต่อพบหน้าชาตินะบุญที่เราทําอดีตชาติเนี่ยมันมาส่งผลในชาตินี้ทําให้เรารวยแล้วจนได้อนี้แต่สำหรับชาตินี้ทําบุญยังไงให้ให้มันนัน่มรวยนี้มันบุญไม่สามารถที่จะจะตอบโจทย์อันนี้ได้เพราะบุญนี้จะให้ได้ามากก็คือให้เรามีความสุขใจอิ่มใจแล้วก็เวลาที่เราตายไปเราก็จะได้ไปสวรรค์ เวลาเรากลับมาเกิดใหม่แล้วก็จะเกิดมาดีกว่าเกา่าร่ํารวยกว่าเกา่าเป็นต้นดังนั้นปัจจุบันถ้าเราอยากจะให้เราเจริญในราบยุศธละเสริญเราก็ต้องศึกษาเหตุปัจจัยที่ทําให้เราเจริญทําไมคนนี้เขาร ว, วยเพื่ออะไรเขาเขายันทํางานหรือเปล่าเขาลงทุนธุรกิจที่กําลังไม่มีใครที่กําลังเจริญยังไม่มีคู่แข่งหรือเปล่าบางคนทําธุรกิจอะไรบางอย่างที่ยังไม่มีคู่แข่ง พอทำป๊๊บก็มีคนมาเป็นลูกค้าเป็นร้อยเป็นพันก็รวยก่อนเขาอันนี้มันก็อยู่ที่การมีความสามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆไว้โนกหน้าได้หรือเปล่าว่าอาชีพอะไรหรือกิจการอะไรแบบไหนที่จะดีสาหรับในปีหน้าอย่างนี้แล้วเราริ่มทำใ้ตัดปีนี้ก่อนเราก็จะได้เปรียบคู่แข่งกันไหนก็ไม่มีอะไรแน่นอนเราอยู่ในภายใต้กฎของไต้ละ อาจะวางแผนอย่างดีทุกอย่างดีหมดแต่เ่อถึงเวลาจริงๆมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้คุณดําครับทําไมคนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ฆ่าสัตว์ทําสูราขายถึงได้ล่ํารวยเป็นหรือว่าชะตาชีวิตของเขาได้กําหนดมาแล้วว่าต้องรวยถึงแม้จะเป็นมิจฉาอาชีวะครับก็อย่างที่บอกนะว่ามันการทําบาปนี่ไม่ได้ส่งผลในภพนิชาตินี้การ ทำมาค้าขายมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างถ้าเราขายของที่คนอยากจะได้เนี้ยมันก็ขายได้เร็วได้เยอะใช่ไหมขายสุรายาม า, านี่ขายเท่าไรคนนี้ก็ซื้อกันหมดเนะี่ยเรามาขายหนังสือธรรมะดูแต่มีคนจะซื้อหนังสือธรรมะอ่านหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของการตลาดเป็นเรื่องของภาวะของทางโลกที่เขาจับเขาจับจับได้ว่าทำยังไงจะให้เขารวยเขาก็ทําอย่างนั้นก็มองเห็น แล้วโลกต้องการอะไรตลาดต้องการอะไรเขาก็ผลิตสิ่งที่ตลาดต้องการเขาก็ร่ำรวยไปคุณชาติถามว่าจิตพ้นทุกข์แล้วจะมีอาการอย่างไรครับก็ไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขตลอดเวลาคุณแรดครับ มีเพื่อนที่เขาภาวนาที่บ้านแล้วได้ผลดีมากๆเขาไปวัดด้วยแต่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่วัดแต่เราภาวนาที่บ้านไม่ได้ผลแต่เวลาไปอาศัยค้างที่วัดสงบวิเวกจะภาวนาได้ดีกว่าแบบนี้คือเราสร้างบารมีมาน้อยถ้ารู้ว่าอยู่วัดแล้วภาวนาดีกว่าเราควรหาโอกาสไปพักค้างที่สงบวิเวกถูกไหมครับก็แล้วแต่แต่ละคนบางทีที่บ้านของคนบางคนอาจจะสงบกว่าไปอยู่ที่วัดก็ได้ นั่นก็อยู่ที่สถานที่ปฏิบัติถ้าหาสถานที่ปฏิบัติที่สงบไ ม, มว่าเวยเว่ยได้นั้นนะจะจะดีที่สุดไม่ว่าจะยเป็นที่บ้านเราก็ได้เป็นที่วัดก็ได้ความสำคัญอยู่ที่ความสงบวิเวกหรือไม่นันคุณจิกกี้บอกว่าใส่เงินลงไปในบาทมองลงไปเงินเยอะมากเป็นการทำให้พระเกิดกิเลสได้หรือเปล่าครับ มันอยู่ที่ใจของคนมองไม่ใช่อยู่ ใ, ใจของพระพระเราจะไปรู้ใจของท่านได้ว่ า, างไงใจขอาเร า, าใจของท่านอาจจะไม่เหมือนกันท่านอาจจะมองว่าเป็นเพียแค่โลโหะก็ได้ถ้าไม่ได้มองว่าเป็นเงินเป็นทองหรือท่านอาจจะมองว่าเป็นกระดาษก็ได้ยังมีเรื่องหลวงตาท่านเล่าให้ฟัง enfin ว่าพระหลวงปู่แหวนเนี่ยท่านท่านสูบบุหรี่มวนเองบางที่ท่านเอาแบงค์ห้าร้อยมามว้ <mumbles. S 1> มวนมว้มวนบุหรี่สูบเฉยเลย แต่ก็บอกเป็นกระดาษมวลบุหรีเคยได้ยินครับแตโอใช้แบงค์ห้าร้อยคือท่านมองเป็นกระดาษจริงใช่ไหมมองเป็นกระดาษสำหรับสูบบุหรี่ท่านก็มีกระดาษห่อยาสูบใช่ครับนี่กระดาษนะษ ท, ท, ท่นานบางบางคนก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้อะไรก็ได้ที่ยาห่อมันถ้าไม่มีกระดาษสําหราับห่อยาสูบท่านก็มีแบงค์น้อยหรือแบงค์ห้าร้อยก็ไม่ทราบท่านก็เแบงค์ห้า เราสูบสูบไปครับงั้นใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราอย่าไปอ่านใจของเอาใจของเราไปวางให้กับใจของคนอื่นคุณติเล็กครับการบูชาเทพผิดศีลปตาป ร, ปรมาสหรือเปล่าครับถ้าบูชาเพื่อให้เรานําให้เราให้เจริญไม่ให้ให้เราพ้นทุกข์นี้ก็ผิดเพราะการกระทำเหา น, นี้ไม่สามารถทําให้เราพ้นทุกข์ได้ คุณส้มครับทาอย่างไรห้ามใจไม่ให้โกรธได้ครับก็ต้องฝึกสติให้มั่ากพอเวลาโกรธก็สามารถหยุดมันได้ฝึกสตินั่งสมาธิทำาจให้มีอุเบกขาแล้วจะโกรธยากุณน้ำเหนือครับคนที่เบียดเบียนทรัพย์ของผู้อื่นทำไมอายุยืนยาวครับก็อย่างที่บอกว่ามันมีหลายปัจจัยด้ยวยกัน เตุที่ทำให้เขาอยุยืนยาวอาจจะเป็นเพราะว่าชาติก่อนเขาทาบุญมาก็ม า, มากก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้รู้จักดูแลรักษาสุขภาพของเขาก็ได้เชื่อหมอทําตามที่หมอสั่งหมอบอกไม่ให้เดิมโซลาเขาก็ไม่เดิมหมอเขาบอกให้ออกกําลังกายขเขาก็ออกกําลังกายทําแบบสุขลั ก, กสุขษณะเขาก็สามารถรักษาอายุของเขาให้ยืนยาวได้ ไม่เ ไ, ไ, ไ, ไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เขาลงทะเบียนเรียนทรัพย์ของผู้มีป้าอาจารย์ครับใส่บาตแล้วมานั่งสวดชินบัญชรแผ่เมตตาแก่ตนเองอุทิศบุญกุศลทําแบบนี้ถูกไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการอุทิศบุญกุศลนี่เราไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องแผ่เมตตาพอเราทําบุญเสร็จใส่บาศเสร็จแล้วก็ระลึกภายในใจอุทิศบุญไปได้เลย ไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นถ้าเราทำบุญรับบุญเหมือนกันในใจขึ้นมาแล้วเปความสุขใจอิ่มใจเราก็สามารถอุทิศบุญอันนี้ไปให้กับผู้ที่ลงลับไปแล้วลการอุทิศก็อุทิศด้วยการคิดภายในใจนั่นเองคิดว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับท่านนั้นผู้นั้นผู้นี้ที่ลงลับไปแล้วก็สําเร็จประโยชน์นะไม่ต้องไปส่วนมันไม่ต้องไปแผ่เมตตาไม่เกี่ยวกันการแผ่เมตตานี้ให้เรา แผ่ด้วยการกระทำเวลาที่เราพบปะกันเวลาเราพบปะการเราทักทายกันมีสัมพันธไมตรีที่ดีนะเรียกเป็นการแผ่เมตตาคุณอ่างทองครับที่เขาพูดกันว่าชีวิตรเราเกิดมาถูกกาหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดจนตายอย่างนี้จริงไหมครับก็ส <ST> ่วนหนึ T ่งก็ถูกถูกให้กาหนดมาเกิดดีและเกิดไม่ดีเกิดสูงเกิดต่ำอันนี้ก็เป็นเรื่องบุญเรื่องบา ที่เราทำมาในอนดีตแต่เมื่อมาเกิดแล้วเราก็สามารถปรับได้เปลี่ยนได้คมาเกิดตามก็สามารถทำให้สูงได้ก็ดูประวัติของคนบางคนบางค น, บางคนเกิดมายากจนแต่ก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ขึ้นมาเป็นผู้ที่มีฐานะและมีอะไรได้แล้วไม่มีอะไรตายตัวเราสามารถที่จะปรับปรุงตัวเราเองได้ตลอดเวลาถ้าตัำไดที่เรายังมี เราหายใจอยู่ส่วนว่าจะได้มากไดยน้อยก็แล้วแต่เหตุปัจจัยตา่างๆบางทีปัจจัยทุกอย่างลงตัวมันก็ไดบ้บางทีไม่ลงตัวมันก็อาจจะไม่ได้ก็ได้นึกถึงหลวงปู่ขาวก็หลวงตาเลยครับอาจารย์ที่เกิดมาเป็นชาวนาธรรมดาแต่ในหลวงยังต้องไปกราบเลยนะครับอาจารยใช่เรื่องขอเศษธีบางคนก็แบบ มาจากเมืองจีนก็เสือใบหมอนใบใช่ไหมถ้าตอนนี้เป็นยังไงมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศเราก็มีใช่ไหมมันอยู่ที่การกระทําของตนด้วยและอยู่กับเหตุการณ์เหตุปัจจัยอย่างอื่นด้วยบางคนทํามาเสือเสือใบหมอนใบแต่ก็ไม่รวยก็มีระยะไปคุณวรพลครับบอกว่าถ้าเข้าใจว่าเหตุที่เกิดนี้มีมูลรากมาจากปัจจัยที่สร้างมาถ้าเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับ ก็ส่วนหนึ่งไงส่วนหนึ่งก็เป็นเหตุปัจจัยที่เราทำมาในอดีตอีกส่วนหนึ่งก็เกอดจาเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคุณจุ๊บครับอาจารย์ครับอยากทราบว่าคนที่ป่วยติดเตียงที่มีชีวิตอยู่นานๆหลายปีนี้ทําบาปไว้มากใช่ไหมครับก็ไม่สามารถที่จะตอบได้พ่ามันเกิดจากบาปอย่างเดียวหรือไม่เพราะมันอย่างที่บอกมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นด้วย เป็นการดูแลสุขภาพของตนเองพฤติกรรมการอยู่การกินว่าอยู่แบบไหนกินแบบไหนมันก็มีส่วนอันนี้ถามหมอดีกว่าหมอเป็นเป็นเหตุ ด, ด้านด้านการกินอยู่ซะเยอะครับอาจารย์ครับและพฤติกรรมไปทำาการอุบัติเหตุเรื่องอะไรขึ้นมานี้ก็ได้ คุณแทบอกว่าการโดนของมีจริงไหมครับแล้วถ้าสวดมนต์ด้วยตัวเองจะแก้ได้ไหมครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะเราไม่เคยโดนมาก่อนล้วก็เลยไม่ตอบไม่ได้แต่เราคิดว่าเป็นความเชื่อมากกว่ามันเชื่อแล้วมันก็เลยเชื่อถ้าไม่เชื่อมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่เชื่อเท่านั้นเองคุณคาิ t ฐาครับ เคยทำสมาธิได้ง่ายรู้สึกมีความสุขจนไม่อยากออกจากสมาธิแต่พอเว้นไม่ได้ทําเป็นเวลานา น, านหลายปีทําไมทําสมาธิยากมากควรทําอย่างไรจึงจะเข้าสงบได้เร็วครับเพราะขาดสติสติที่กระทำจิตให้สงบมันไม่มีแนละ้วเราก็ต้องมาเจริญสติใหม่เจริญฝึกสติให้มีสติตลอดวัน ถ, ถ, ถ้าทํำได้ให้มีสติอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปก็ได้เนือให้มีสติอยู่ ก, การ เคลื่อนไหวต่างๆของร่าง ก, กายก็ได้คอยเฝ้าดูร่างกายทุกอิริยาบทอย่าให้ใจไปที่อื่นอย่างนี้ก็จะมีสติพอ ม, มานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้คุณไรวัยครับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างสม่ําเสมอจะส่งผลในชาติภพนี้ได้อย่างไรครับก็ทําให้เราหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ได้เป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติ มีปั ส, สนาก็เพื่อให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายให้บรรลุเป็นบรรลุถึงพระนิพพานก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์คุณสุปรกรครับอยากทราบว่าทำไมพ่อแม่ลูกปู่ย่าตา ย, ยายพี่ป้าน้าอาตายไปแล้วจะต้องเกิดมาในครอบครัวเดิมไหมครับและสาเหตุอะไรทำไมเราต้องมาเจอกันครับออการจะไปเกิดข้างหน้านี้ไม่มีอะไรแน่นอน บันทีก็อาจจะเจอกันบางทีก็อาจจะไม่เจอกันก็ได้คุณสป라이ด์าถามว่าขายวัตถุมงคลบาปไหมครับไม่บาปมันก็เป็นอาชีพอ ย, ย่างหนึ่งอาชีพสุดยอดเลยคุณวชิรวิทย์ครับนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดฉลาดของโลกถ้ามีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมมีโอกาสบรรลุธรรมเร็วกว่าคนทั่วไปไหมครับก็ไม่แน่หรอกเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี้มันมี เหตุปัจจัยบางอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นคนฉลาดของโลกแต่ก็อาจจะมีเหตุปัจจัยที่ทําให้ปฏิบัติยากก็ได้คือคนที่มีกิเลสมากมีความโลภความโกรธความหลงมากก็ฉลาดทั้งโลกได้แต่วันนั้นมันปฏิบัติทำก็อาจจะปฏิบัติยากเพราะจะมีนิวรณคอยขวางกั้นในการทําจิตใจให้สงบได้เพราะฉะนั้นมันไม่แน่นอนว่าคนฉลาดทั้งโลกนี้จะสามารถ บรรลุธรรมได้เร็วกว่าคนอื่นทั่วไปเหรือไม่แต่และคนมันมีเห็นมีปัจจัยที่ไม่เหมือนกันท่านยิ่งแบ่งไว้ว่าการบรรลุธรรมนี่มันมีการปฏิบัติธรรมนี่แบ่งเป็นคนสี่ประเภทเด้วนคนประเภทแรกก็คือคนที่รู้แล้วแล้วปฏิบัติง่ายในนี้เป็นยังไงถึงรู้แล้วแล้วปฏิบัติง่ายรู้แล้ววก็คือมีความฉลาดคิดทางปัญญาเก่ง แล้วปฏิบัติง่ายก็คือกิเลสน้อยไม่มีกิเลสสร้างอุปสรรคให้ทำให้นั่งสมาธิยากมากอันนี้ก็พวกหนึ่งคือมีความรู้มีความฉลาดแล้วก็มีกิเลสน้อยง็จะจะรู้ง่า ย, ายปฏิบัติง่ายแล้วรู้เร็วคนที่สองกลุ่มที่สองก็คือรู้เร็วแต่ปฏิบัติายากคนที่ฉลาดแต่มีกิเลสมากก็จะมีนิวรมีอุปสรรค ทำในการปฏิบัติยากนั่งสมาธิยากกว่าจะสงบได้อย่างนี้ก็เลยว่าเป็นกลุ่มที่สองรู้เร็วแต่ปฏิบัติยากกลุ่มที่สามก็คือรู้ชา้าแต่ปฏิบัติง่ายนี่ก็คือพวกที่ร่อยปัญญาปัญญาทึบรู้ชา้าแต่กิเลสน้อยกิเลสไม่มากก็เลยทําให้ปฏิบัติสมาธิได้ง่ายไม่มีนิวรณ์มากแล้ว กลุ่มสุดท้ายก็คือพวกที่รู้ชาและปฏิบัติยากคือปัญญากระทึบกิเลสกันนะนี่แหละคือคนสี่กลุ่มเนาลองถามตัวเราเองว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนก็แล้วกันได้คำตอบเลยครับคุณยุพาครับบอกว่าเจ็บป่วยบ่อยเพราะกรรมเก่าหรือเปล่าครับแล้วต้องทำบุญอย่างไรครับ ก็มีส่วนเนี่ยกรรมเก่าอย่างที่พูดแล้วว่าเกิดมาแล้วมันก็ทำให้เรามีโครคภัยไข้เจ็บเปยนอายุสั้นเป็นต้นแก้ไม่ได้เรากรรมเก่าทำได้ก็คืออย่าไปสร้างกรรมก่อย่าไปทำกรรมแบบนี้เพื่ออนาคตจะได้ไม่เจอแบบนี้อีกต่อไปเท่านั้นเองในอดีตที่ผ่านมาแล้วเราเร้อนกลับไปลบล้างมันไม่ได้แต่เราสามารถทำกรรมใหม่ได้ทำกรรมดีได้อย่าไปทำกรรมไม่ดีแล้วต่อไป ผลขอมกรรมไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราเวลาที่เราไปเกิดใหม่คุณสุภาพรครับเรียนถามสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งตอนนี้ฝึกสมาธิเริ่มต้นที่อยู่แต่ในห้องสองถึงสามชั่วโมงถ้านั่งเมื่อยก็ให้สลับกับยืนสู้กับกิเลสด้วยการบริกรรมพุดโธสลับดูลมหายใจสอบถามว่าสามารถเดินจงกรมด้วยได้ไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราจะกาหนดอย่างไร ที่อาจารย์เคยสานว่าให้นั่งอยู่ที่จุดเดียวแล้วก็ถ้ามือย้ายลุึงนมาอยู่นี้ก็เพื่อที่จะสู้กับความอยากที่อยากจะไปทํานู่นทํานี่โดยที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องทําเราต้องการลองต่อสู้กับความอยากเหล่านี้ได้หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่เป็นเดิจนจยกมเราก็จะยืนหรืนั่งอย่างเดียวให้อยู่ที่จุดเดียวแล้วเราก็ใช้การดูรวมหายใจพุโทโธหรืออะไรก็ได้เป็นการที่จะทําให้ใจเรา สู้กับความอยากได้แต่ถ้าเราไม่ได้กําหนดด้วยเป้าหมายอันนี้เราบอกว่าเราต้องการจะอยู่ในห้องไม่ออกไปรับรู้อะไรเราอยากจะปฏิบัติธรรมในเรยาบท ต, ต่างๆอันนี้ก็ทําได้นั่งแล้วมือยก็ลุกขึ้นมาเดิก็ได้เดินแลมือมกกลับมานั่งใหม่ก็ได้อันนี้ก็สุดท้แต่ว่าเราจะกําหนดการปฏิบัติของเราเป้าหมายของเราว่าอยู่ที่ตรงไหนถ้าเราต้องการที่จะสู้กับความอยากที่มันชอบอยากไปนู่นอยากมานี่อยากจะากทำนู่นอยาก เราทำนี่โดยที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องทําแล้วเราต้องการที่จะสะกัดความอยากตันนี้แต่ก็ต้องไม่ไปทําอะไรเลยไม่เคลื่อนไหวเลยให้ให้อยู่ก็ที่นั่งที่ยืนตรงจุดนั้นจุดเดียวดูเห็นว่าถ้าต้องเข้าห้องน้ําไปก็ต้องเดินเข้าห้องน้ําก็ไปเข้าห้องน้าอย่างเดียวดังนั้นก็ยังไม่ทําอะไรเลยลองสกัดกั้นความอยากยู่ว่าเราจะชนะมันไห ม, ไมข้อสองครับ ความรักให้ใช้อสุภะมาช่วยความโกรธให้ใช้เมตตามาช่วยลูกเข้าใจถูกไหมขอสอบถามว่าความโลภ ก, กับความหลงต้องใช้อะไรมาช่วยครับคือความรักท่านในข้อนี้ธรรมะหนึ่งความอยากที่จะมีมการร่วมเพลินเกิดการมาราคะก็ต้องใช้อสุภะต้องมองส่วนที่ไม่สวยงามของคนที่เราอยากจะไปร่วมเพลิด้วยเช่นดูอวัยวะต่างๆ ภ, ภายใต้ผิวหนังมันก็จะระงับได้ ความเมตตาเวลาเราโกรธเราก็ใช้ความเมตตาคือให้อภัยคนที่ทําให้เราโกรธจนเวลาเราโลนลภนี้เราอยากกด้นู่นอยากได้นี้ก็ให้ใช้ความอความตายให้เราถึงความตายก็ได้เวลาเราตายไปแล้วอะไรไปได้หรือเปล่าอันนี้ก็ จ, จะช่วยสกัดกั้นความโลภต่างๆได้อส่วนความหลงก็อยู่ที่ว่าเราหลงกับอะไรหลงกับ กับร่างกายของเราคิดว่าร่างกายของเรานี้อ่จะอยู่ไปนานๆเราก็ต้องสอนว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยง ม, มันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นต้นถ้าหลงว่าร่างกายของเราสวยงามแล้วก็ต้องพิจารณาสุภาพก็ได้ถ้าเราหลงเพราะว่าเราคิดว่าเป็นร่างกายเป็นตัวเราของเราอย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาเออว่าเป็นเพียงธาตุสี่นน้ำลมไฟนความหลงไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราหลงหลงแบบไหน หลงเพราะเราคิดว่าทุกอย่างมันเป็นของถาวรเป็นนิจจังเราก็ต้องพิจารณาหนิจจะถ้าเราคิดว่าเป็นสิ่งมีตัวมีตนเราก็ต้องพิจารณาว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขเราเราก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วเนี้ยก็ต้องมีดับไปอันนี้ก็เป็นการแก้ความหลงต้องใช้ตายลักมาแก้ความหล ความหลองจะเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่เที่ยงว่าไม่เที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเราก็ต้องเอาอนิจจังทุกข์ขังหน้าตามาสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทุกข์กมันไม่เที่ยงแล้วก็มันไม่มีตัวตนที่จะมาควบคุมันครับสิ่งต่างๆให้มันเที่ยงได้อันนี้ก็คือแก้ความหลงด้วยการใช้ปัญญา พิจารณาตายละมีคนฝันว่าได้นั่งกราบพระห้าพระองค์อย่างนี้เขาถามว่าดีไหมครับก็เป็นแค่ความฝันอันไหนที่เราสามารถเอามาทําให้เกิดประโยชน์ได้ก็ดีอันไหนนี่มาทำไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ก็ไม่มีไม่จะว่ามันดีก็ไม่ดีจะว่าไม่ดีก็ไม่ดีก็ปล่อยมันไป ผันไปอย่าไปยึดไปติดมันพิจารณาว่ามันเป็นตายรักไปเกินแล้วก็ดับไปคุณสายอุดมครับคนป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลังไม่สามารถนั่งสมาธินานได้และเดินจงกรมนานได้จะมีโอกาสบรรลุธรรมในชาตินี้ไหมครับหากใช้การทำสมาธิโดยที่อื่นทำได้อย่างไรบ้างครับก็ใช้การเดิ น, นงจงกรมเจริญสติให้มากๆถ้ามีสติมาก นั่งสมาธิอาจจะนั่งไม่กี่นาทีก็สงบได้รวมเป็นเอเบคาได้ถ้าทำได้ก็จะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แตะไม่ใช่อยู่ที่การนั่งสมาธิอย่างเดียวหลังจากได้สมาธิแล้วยังต้องมาเจริญปัญญาต่อไปถึงจะบรรลุธรรมได้คุลาตรีบอกว่าเคยดูแลคนป่วยติดเตียงจนเดินได้แล้วในปัจจุบันเขาถามว่าได้บุญไหมครับ แล้วแต่ว่า เ, าเราได้ค่าจ้างหรือเปล่าถ้าเราได้ค่าจ้างก็ไม่ได้บุญถ้าเราทําฟรีก็ได้บุญคุณวชิรวิทย์ครับกระกาบขอแนวปฏิบัติในชีวิตประจาําวันขณะที่ยังต้องทํางานประจําทุกวันวันหยุดแทบจะไม่ได้หยุดเลยครับก็ฝึกสติทั้งที่เราจะทําได้ในช่วงก่อนที่เราไปทํางานนั้นเป็นช่วงที่เราสามารถฝึกสติคอยควบคุมความคิดได้ ที่เราเรืมตาขึ้นมาแต่งขึ้นมาเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปให้มีพุทโธกำกับใจตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆไม่ว่าเราจะทําอะไรก็มีพุทโธกำกับไปด้วยอาบน้ำนาั่งน่าก็พุทโธพุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไปถ้ารับประทานอาหารคนเดียวก็พุทโธพุทโธไปนั่งรถไปทํางานก็พุทโธไปจะหยุดพุทโธก็แต่เมื่อเราเริ่มทํางานต้องใช้ความคิดดังนั้นเราก็หยุดพุทโธ ก็ให้มีสติของกานที่เราทําไปอย่าให้ใจลอยไปที่อื่นเป็นกาจะถึงเวลาเรากลับบ้านยันตะพันถึงเวลากลับบ้านนั่งรถกลับบ้านแล้วก็พุทโธพุทโธเริ่มพุทโธกลับมาบ้านอาบน้ําำได้รับประทานอาหารก็พุทโธพุทโธก่อนนอนก็นั่งสมาธิต่ออันนี้เราก็ฝึกอย่างนี้ได้ทุกวันได้ทําได้ทุกวันอย่างที่ว่าเราจะฝึกม่ไม้เท่านั้นเอง คุณชุติมาถามว่าช่วงเวลาว่างจะอ่านพุทธวจนะเราได้กุศลไหมครับถ้าเราเข้าใจมันก็ได้สมาธิฐิได้ปัญญาเพราะพุทธวจนะก็คือคําสอนต่างๆที่จะทำให้เราเอามาใช้ในการกำจัดความถูกได้คุณพัฒรศสิครับถ้าเราเจอหัวหน้า ง, งานที่จิกกัดด่ า, ดาตลอดแบบไม่ไว้หน้าจนทนไม่ไหวห้องอด ทนจนไม่รู้จะทนอย่างไรจะกําหนดอย่างไรดีครับก็เค okay, ว่าเขาเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับเราไปอยู่กับหมาที่ชอบเหา่าแล้วก็ห้ามมันไม่ได้มันจะเหา่าก็ปล่อยมันเห่าไปนั่นเองทาบุญและทําความดีมีความแตกต่างกันอย่างไรครับอันเดียวกันนะ่ะบุญก็คือการกระทําที่ทําให้เกิดเกิดความสุขแก่ผู้เก็ประโยชน์แก่ผู้ก็คือบุญมือควัต ก็เปการทำความดีเหมือนกันคุณอัจฉริยะครับคำบริกรรมสุดท้ายต้องละให้ได้หากต้องการสมาธิขั้นสูงหรือฌานใช่ไหมครับคือมันจะหยุดเองอะถ้าจิตพอจิตมันจะสงบคำบริกรรมมันก็จะหยุดเองไม่ต้องละไม่ต้องทำอะไรขอให้เราบริกรรมไปเรื่อยๆพอถึงจุดที่มันอิ่มตัวปั๊บคำบริกรรมก็หยุดจิตจิ ต, จ ต, จตก็จะนิ่งสงบงทันที แต่เราอย่าไปหยุดเองนะเราต้องบริกรรมไปเรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะหยุดเองเอามันนิ่งแล้วคำบริกรร ม, มก็จะหยุดไปเองบาปที่พูดจาว่ากล่าวส่อเสียดมีข้อยกเว้นกับว่าคนชั่วหรือนกักการเมืองที่คดโกงชาติไหมครับไม่มีทั้งสิ้นไม่ว่าจะว่าใครก็ตามมันก็เป็นเป็นบาปเท่านั้น คุณแวรี่ครับแสดงว่าความคิดจิตใจคนอื่นก็เป็นอนัตตาใช่ไหมครับฝึก ค, คิดแบบนี้เพื่อให้เราไม่ยึดติดกับคำพูดความคิดของคนอื่นแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าคําพูดความคิดเขาเราผ่านการพิจารณาว่าไม่เกิดประโยชน์ครับใช่มันก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้แม้แต่ตัวเขาเองบางทีก็ควบคุมคบังคับความคิดของเ้าเองไม่ได้คุณจันยาบอกว่าเครียด เรื่องดวงตากลัวว่าดวงตาจะเป็นอะไรจะต้องทำอย่างไรครับก็ปรงเนาะเพราะว่าอะไรจะเกิดก็เกิดถ้าเราห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดเราก็ต้องอยู่กับมันไปนั่นเองคุณพีซีครับเมื่อวานไปนั่งสมาธิในโบสถ์เงียบมากอยู่ดีๆมีเสียงตกใส่หลังคา รู้สึกตกใจสะดุ้งแต่ไม่ได้ลืมตาอย่างนี้แปลว่าเราไม่มีสมาธิใช่ไหมมีสมาธิคงจะไม่ตกใจเสียงดังแต่แต่นั้งต่อไปไม่ได้ลืมตานะครับท่านจิตสงบเต็มที่อาจจะไม่ได้ยินเสียงที่ที่ที่ดังขึ้นมาก็ได้ถ้ายังได้ยินเสียงอยู่แสดงว่าจิตยังไม่สงบยังไม่เป็นสมาธิเพียงแต่กาลังเจริญสติอยู่พระอาจารย์ครับอย่างนี้พระอรหันต์มีแบบมีตกใจมีสะดุ้งบ้างไหมครับ ก็หลวงราท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสตว่าท่านเดินไปแล้วมันเลื่อนอย่างี้พระหลานก็จะพยายามคว้าจับอะไรไว้เพื่อการป้องกันไม่ให้มันล้มอันนี้มันเป็นเหมือนสัญชาตญาณป้องกันตัวแต่ถามว่าใจตกใจไม่ใจท่านไม่ตกแต่กิริยาในการที่จะปกป้องร่างกายนี่มันยังทำงานอยู่ หรือว่าเาเดินไปแล้วไปเห็นกิ่งไม้แต่คิดว่าปเป็นงูคิดวจะไปเหยียบงูก็กระโดดข้ามไปเลยก็วิ่งแต่ไม่ตกใจใจของว่าเราทนจะไม่ตกใจแต่กิริยางการยังเห็นได้อยู่เป็น reflect เป็น reflect คุณไอรินบอกว่าสูญเสียคนที่รักอย่างกระทันหันยังทําใจไม่ได้จะมีวิธีการวางใจได้อย่างไรครับ ก็อย่าไปคิดถึงคนที่เขาเสียไปแล้วพยายามหยุดคิดถึงเขาด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือด้วยการสวดมนต์ไปอย่าไหวให้ใจคิดถึงเขาเวลาใจคิดถึงเขาก็หยุดมันด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปต่อไปความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจก็จะเบาบางลงไปแล้วหายไปในที่สุดมีคําถามคล้ายๆกันบอกว่าสุนัขที่รักเพิ่งตายจากไปยังทําใจไม่ได้ครับ ก็ต้องใช้ปัญญ า, าก็ได้พิจารณาว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงแม้แต่ร่างกายของเราสักวันนี้ก็ต้องจากเราไปเหมือนกันคุณตั้มครับภาวนาอาณาปานาสติจนรู้สึกว่าลมหายใจแผ่วเบาต้องดูลมหายใจต่อไปหรือกลับมาพิจารณาทางกายหรือต้องภาวนาแบบไหนต่อครับก็ดูลมอย่างเดียวดูเหมือนดูเหมือนกับตอนที่เราดูตอนตอน้ตนก็ดูไปอย่าทิ้งลมอย่าไปทำอะไรอย่าง แม้กระทั่งลมหายไปก็ไม่ต้องไม่ต้องไปดูอะไรก็ดูดูว่าตอนนี้ไม่มีลมให้เราดูก็แล้วกันให้ดูเฉยๆไปอยู่ที่จุดเดิมจุดเดิมที่ลมสัมผัสเขาออกที่แถวบริเวณปลายจมูกหรือนะิ้วลิ้ลฟีนปากเข้ามาให้อยู่ตรงจุดนั้นให้ดูตรงจุดนั้นดูว่ามีลมหรือไม่มีลมลมไม่มีก็นึกว่าไม่มีแล้วก็ดูต่อไปดูการไม่มีลมไปแล้วเดี๋ยวจิต ก, ก็จะรวมเข้าสู่ความสงบอเอง คุณวีรวัตรบอกว่าสั่งให้คุณพ่อเลิกบุหรี่เพราะเป็นห่วงสุขภาพแต่ท่านก็ยังแอบอยู่บ้างแบบนี้บาปไหมครับเราเป็นลูกไม่ควรจะไปสั่งพ่อแม่อาจจะขอร้องพ่อแม่ได้พ่อแม่เขาเป็นผู้สูงกว่าเราการสั่งนี่หมายถึงว่าเหมือนกระ ท, ทำทำตัวสูงกว่าท่านคุณปาปิก้าครับทําไมคนที่ปิดศีลข้อสี่ตอนนี้เขาถึงได้ดีจังครับ ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจกับผลของของการกระทําบาปนี่มันอยู่ที่จิตใจมันไม่ได้อยู่ที่การได้ดีด้ดีในทางโลกกระทำมันไม่มนคนละเรื่อง ก, กันอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เข้าไปผิดศรรมมีลด้วยมีมีอํานาจสามารถให้ให้คุณให้โทษกับเขาได้ก็ได้ให้นํางวัลเขาก็ได้ัอนนี่ไมนเรื่องของทางโลกทางกฎแห่งกรรมนี่ต้องรองไปพบหน้าชาตนะิ ปิดสิ่งก้อี้ิเพื่ออาจจะไปแคะไปเป็นสัตว์ในราชาญก็ได้ต่อไปก็จะไปอยู่แบบสุนัขสุนัขเดิเก้าคุณอั๋นครับคุณพ่อที่เสียไปนานแล้วแต่เรายังคิดถึงพ่ออยู่ทุกวันแบบนี้พ่อที่เราที่เสียไปจะรับรู้ไหมครับคิดว่าคงไม่รับรู้แล้วะท่านก็ไ ป, เ, ไปเกิดไปเกิดใหม่แล้วไปอยู่ในภพในภูมิของท่าน คุ บ, บุญชูครับเมื่อก่อนฟังพระอาจารย์เทศสอนว่าพอเจอกับเหตุการณ์ที่ทําให้โมโหให้พุทโธพุทโธไปให้ใจไม่ไปอยู่กับเรื่องที่ทําให้โมโหแล้วจะหายแต่ก็นึกไม่ออกไม่เคยทําได้แต่พอหลังจากฝึกสติกับนั่งสมาธิมาสักระยะหนึ่งรู้สึกนิ่งขึ้นพอมีอะไรมาทําให้โมโหพุทโธพุทโธก็เด้งขึ้นมาอัตโนมัติทําให้ใจไม่ไปคิดกับเรื่องที่ทําให้โมโหแบบนี้เรียกว่าสติสมาธิเริ่มทํางานเองแล้วใช่ไหมครับ ใช่มันฝึกไปเรือ่อยๆต่อไปนันก็เป็นนิสัยขึ้นไปคุณเข็มจีลาครับการฝึกภาวนาจะต้องมีครูไม่งั้นจะเป็นบ้าไปเลยขอคํำอธิบายครับก็เหมือนกับการว่ายน้ําเนี่ยถ้าเราว่ายน้ําไม่เป็นก็ต้องมีครูสอนให้ว่ายถ้าไม่มีครูสอนเราก็อาจจะจมน้ําได้ก็เหมือนกันทําะไรที่เราทําทเองไม่เราทําเองไม่เป็นเราก็ต้องมีครูสอนเราก่อน ไม่เช่นนั้นเราอาจจะเสียสติได้เพราะเราอาจจะไปเจอนั่นว่าไปเจออะไรต่างๆแล้วเราก็จะไปคิดปรุงแต่งขึ้นมาว่าเป็นนู่นเป็นนี่นอันนี่ยเขาเรียกทำให้เราบ้าขึ้นมาเพราะความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดดังนั้นต้องมีครูสอนหรือมีนำลาอ่านเพื่อเรารู้ว่าเวลานั่งเราจะเจออะไรบ้างแล้วเราจะได้รู้ว่าอะไรจริงและไม่จริง คุณวรพลบอกว่าขอแนวทางหลุดพ้นที่สั้นรัดไวตามแนวพระศาสดาครับชาท่านนว้นก็ไม่บวชท่านไว้เสด็จพ ง, งเจ้าว่าเจ็ดวันน่าก็ไปปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ก็สามารถบรรลุพันธะเจ็ดวันได้คุณทินพัฒนครับพรุ่งนี้จะไปทำบุญสังฆทานใะนคุณพ่อที่เสียไปแล้วทำอย่างไรถึงจะถูกต้องครับ ก็เอาของที่เราจะถวายถวายให้กับพระไปเสร็จแล้วท่านก็ให้พรล้วก็รับพรแล้วเราก็กรวดแล้วก็เทิดบุญมาให้กับท่าน ก, ก็เรียบร้อยไม่มีอะไรพิเศษเดยไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนคุณชุนครับในกรณีที่เซนยินยอมไม่ถอดเครื่องช่วยหายใจต่อบุ ป, ปการีจะบาปไหมขอคําแนะนําครับ ไม่บาแล้อวเพราะมันเป็นการยุติการรักษามไม่ได้เป็นการไปทำมาตุฆาตอะไรอย่างใดคุณสายทานครับอยากทำสมาธิแต่จิตไม่ลงสมาธิมีกาหนัดมีความฟุง้งทำอย่างไรดีครับอยากอยากให้มีสติให้เจริญสติแต่ถ้าอยากจะได้สมาธิต้องอยากทำสติอยากเจริญสติต้องกัรฝึกสติก่อนมานั่งสมาธิ อย่างมานั่งเราอยากให้มันลงมันไม่ลงครับมันจะลงพอะสติถ้าเราไม่มีสติเราต้องฝึกสติให้มากๆก่อนแล้วเวลาเรามานั่งสติก็จะทําทให้จิตลงเข้าสู่สมาธิได้คุณนัดครับทําบุญแบบไหนที่ส่งไปให้คนที่ตายได้รับได้ถูกต้องที่สุดครับก็ใส่บาทเนี่ยบริจาคครับเงินทองให้กับองค์กรต่างๆก็ได้บริจาคให้กับวัดก็ได้บริจาคให้กับใครก็ได้ แล้วก็อุทิศบุญที่ได้จากความสุขที่ได้จากการบริจาควันนี้ก็สามารถสง่งมอบให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วได้ทันทีนคุณคณิต h าครับเมื่อฟังธรรมะมักมีอาการหน่วงหน่วงระหว่างคิ้วเป็นเรื่องปกติไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนซึ่งอาจจะมีปฏิกิริยาต่างกันไปบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีแต่ก็ไม่เป็นประเด็นที่เราต้องไปกังวล ให้เราสนใจกับธรรมะที่เราฟังอยู่แล้วก็อาการต่างๆที่เป็นงาบนเดยมันก็ยากจะหายไปเองก็ได้คุณเปียกบอกว่ากำหนดลมหายใจแต่จิตมันจะหลุดอยู่เรื่อยจะทำอย่างไรดีครับต้องฝึกสติมาให้มากก่อนนะต้องมาฝึกสติคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกเรืยอบทรไม่ว่งงาร่างกายทำอะไรก็ให้ดูเหมือนกับเราดูลม พอ เ, เมีการดูอย่างต่อเนื่องเวลามานั่งดูลมมันก็จะไม่หายไปเราก็จะได้ดูลมได้อย่างต่อเนื่องต้องฝึกสติให้มากมาก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิคุณตั้มครับภาวนาอาณาปานาสติจนรู้สึกว่าลมหายใจแผ่วเบา <c oughs> ต้องดูลมหายใจต่อไปหรือต้องกลับมาพิจารณากายอัอนนี้ถามยังไปแล้ว ก็ดูลมต่อไปแม้กระทั่งลมหายไปก็ดูไปเรื่อยๆยู่ที่จุดเดิมดูว่าตอนนี้ไม่มีลมให้ดูก็ดูไปดูความว่างไปนั่นเดี๋ยวจิต ก, ก็จะสงบเองคุณองุนเปรี้ยวครับหากเราว่างทั้งวันจะพยายามทําจิตสงบตลอดขณะทํากิ จ, จ ก, กรรมประจําวันถือว่าเป็นการทําสมาธิหรือเปล่าครับก็เป็นการเยาญสติ ถ้าจะทำสมาธิต้องนั่งเฉยๆไม่ทำกิจกรรมอะไรเลยนั่หลับตาทำอย่างไรให้จิตแนบแน่นอยู่กับลมได้ตลอดเวลาครับให้มีสติฝึกสติก่อนการนั่งฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเวลาติ่นขึ้นมาก็จะใช้คำบริ ก, การพุโทโธก็ได้หรือจะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ ในวันวันนั่งสมาธิจิตก็จะแนบแน่นอยู่กับลมหายใจไม่ไปไหนคุณธินกรครับเราควรทําอย่างไรกับคนที่นินทาเราไม่ครบแล้วแต่เจ้าตัวไม่หยุดนินทาครับเราห้ามเขาไม่ได้เราต้คิดว่าเขาเป็นเหมือนนินทาก็ปล่อยเขานินทาไปเรามีหน้าที่ทําใจเฉยๆไปนั่นเอง คุณเพลินถามว่าในทุกๆวันของพระสงฆ์มีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับพระสงฆ์ก็น่าแต่ว่าอยู่ที่ไหนแต่ละวันแต่ละสํำนักก็มีก่อนตัวเองถ้าไปสํำนักปฏิบัติส่วนใหญ่ท่านก็จะมีการปฏิบัติจารสติเป็นพื้นฐานนึ่งเต้นขึ้นมาก็ให้เจารณาสติแล้วก็ไม่ว่าจะทําอะไรท่านมีสติอยู่การกระทำเช่นเต้นขึ้นมาก็ต้องไปบิณธบารบิณธบา ต, บ ต, บาตเสร็จก็กลับมาฉัน เช้านจัดก็ท่านกับไปร้านบาททาเข้าศาสาราอะไรต่างแล้วท่านก็กลับไปที่พักไปเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อจนถึงเวลาบ่ายท่านก็ออกมาช่วยกันปัดกวาดลานวัดเสร็จแล้วท่านก็แยกกันกลับไปส่งน้ําส่งน้ำเสร็จท่านก็ท่านก็เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อจนกว่าจะถึงเวลานอนประมาณสีทนน 4, ่ทุ่พอสี่ทุ่มนอนห้าชัวมงสี่ห้าชั่วมงดีสองแล้วดีสามว่าเต่งขึ้นมา ก็ขึ้นมาเดินอยผมนั่งสมาธิถ่อจนสว่างก็ไปบิณฑบาตต่อชีวิตของพระพระปฏิบัติท่านก็จะทาอย่างนี้ไปทั้งวันทั้งคืนคุณสลาวุฒิครับการสวดมนต์ให้เกิดสมาธิและให้มีสติควรที่จะสวดมนต์ช้าๆหรือสวดเร็วๆครับช้าเรือเร็วก็ได้อยู่ที่ว่าเราเีสติอยู่กับการสวดหรือไม่ ถสวดช้าแ้วมันสติมันมันจะลอยไปใจมันจะลอยไปที่อื่นก็ลองสวดเร็วขึ้นเพื่อจะหนึ่งให้มันอยู่ครับบทสวดมนต์กันอันนี้ก็แล้วแต่เรามันต้องปรับด้วเออาชีพขายขนมหวานเป็นบาปไหมครับให้คนเป็นบาหวานกินครับอาจารย์ไมอบาปแล้วคุณอ่างุ่นเปรี้ยวครับ ทำไมการทำสมาธิภาวนาจึงมีอ น, นิสงส์มากกว่าการรักษาศีลและทำทานครับมันให้ความสงบสุขมากกว่ากันไงทำทานก็ให้ความสงบสุขในระดับหนึ่งแต่น้อยกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลก็ให้ความสงบสุขน้อยกว่าการภาวนาการทำใจให้สงบคุณทินพัฒนครับทำงานออฟฟิศอยู่ในโรงงานผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างนี้เป็นมิจฉอาชีวะไหมครับ ก็เป็นนะเพราะว่ า, อ า, าวแอลกอฮอล์เครื่องเหลื่อมนี่เป็นชุราซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะส่งเสริมเป็อาชีพที่เราไม่ควรจะทํากันอาชีพแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่ทํางานช่วยเหลือผู้คนไม่ได้รับบุญหรือครับเพราะว่าได้รับค่าจ้างครับใช่ถ้าถ้าอยากจะได้บุญก็ต้องไม่ไม่มีค่าจ้างมีค่าตอบแทน เช่นบางวันหมอจะบ่าินรีฟรีหนึ่งวันนะวันนี้ขอทำบุญหนึ่งวันคนไข้มาหรือมีหมอบางบางคนก็คิดห้าบาททุกคนไข้ที่มารักษาหมอห้าบาทนี่ก็ได้ยินข่าววันนั้นก็ถือว่าเป็นวันทำบุญไปคุณสุดที่รดครับ แฟนตอนบวชได้เงินจากคนถวายจากกิจนิมนต์เมื่อจะศึกได้มอบเงินให้แม่นําไปจัดหาของถวายวัดทั้งหมดแต่แม่ไม่ได้นําเงินทั้งหมดไปถวายวัดอย่างนี้บาปไหมครับก็แสดงว่าแม่ไม่ได้ทําตามคำสั่งขอ ง, งอของลูกก็ก็ถือว่าผิดผิดสัตร์ละรับเงินเข้าไปแล้วก็ไม่ทําตามที่เขาสั่งให้ทํา คุณสไปร์บอกว่าบวชทดแทนคุณพ่อแม่พ่อแม่ได้บุญไหมครับบวชเนี่ยคนบวชกนได้บุญพ่อแม่ไม่ได้บุญนอันนี้อ่านชื่อไม่ออกครับอาจารย์มีมนคนจัดจีนครับมีคนที่สูญเสียญาติพี่น้องไปมักอธิษฐานบอกว่าชาติหน้ามีจริงของเกิดเป็นพี่น้องกันอีกเป็นการอธิษฐานที่ผิดใช่ไหมครับและควรอธิษฐานอย่างไรครับ คืออนาะคนนี้เราไม่สามารถที่จะไปกําหนดได้ว่าจะไปอยู่กับใครเนี่ขอได้แต่มันจะได้มั้ยมันด้เป็นเรื่องเรื่องของเหตุของปัจจัยต่างๆบางทีก็ได้ก็มีบางทีก็ไม่ได้ก็มีมมมคุณติ๊กบอกว่าการนั่งสมาธิกําหนดสติจับกลางกระหม่อมจั ก, กรเจ็ดไม่ได้กําหนดลมหายใจได้ไหมครับอันนี้เราก็ไม่เคยทดลองใช้ดูได้ถ้าเรา ทำร้อนใจให้ใจไม่คิดได้ใจไม่ลอยไปลอยมาได้ก็ใช้ได้ต้องดูผลที่เกิดจากการเจริญสติพราทำให้เราหยุดคิดได้หรือเปล่าเราคิดน้อยล ง, งาย้หรือเปล่าหรือควบคุมความคิดได้หรือเปล่าคุณเพิ่มสัก์ครับปัญญาในการทำวิปัสสนาเกิดขึ้นมาเองหรือเกิดจากการนาข้อธรรมมาพิจารณาครับ เราต้องข้อทำมาพิจารณาเช่นร่างกายของเราเนี่ยเราต้องพิจนารณาร่างกายของเราไม่เที่ยงร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่สวยงามมีอาการ32อันนี้เราต้องเรามีคพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนให้มันฝังอยู่ในใจเราไม่ลืมแล้วเวลาที่เราเกิดความหลงขึ้นมาหลงคิดว่านร่างกายเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้มีความดีมาสอนว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย วันหนึ่งหนูมีความคิดตัวเองมันคิดไม่ดีกับคนอื่นเยอะมากเลยครับต้องทำอย่างไรถึงจะให้ฟุ้งซ่านน้อยลงครับก็จะริเสติบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปคุณสราวุธครับทำไมฝึกใจนี่จึงฝึกยากมากครับบางทีก็ท้อแท้อ่อนแอจะละชั่วก็มีความอยากตามนิสัยเดิมจะนั่งสมาธิภาวนาก็ทำได้ไม่นานก็อยากไปหาความสุข ทางรูปลดเปลี่ยนเสียงแล้วจะมีวิธียังไรจึงจะชนะสิ่งเหล่านี้ได้ครับก็ต้องมีแต่ความพยายามและความอดทนเนื่องต้องมีการเพียรพยายามทำไปเรื่อยๆยากง่ายก็ทำไปอดทนหลายยากก็ต้องอดทนเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนนิสัยเหมือนกับเราที่เราสมมติเราเป็นคนถนัดมือขวาแล้วก่อมีอุบัติเหตุมือขวาใช้ไม่ได้เราก็ต้องมาใช้มือซ้าย ถ้าเราไม่เคยใช้มือซ้ายมา ก, ก่อนตอนต้นก็มันจะเสียงยากลำบากแต่ถ้าเราใชยไปเรื่อยๆถัดไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะถนัดเหมือนกับคนเหมือนกับการใช้มือขวาเองอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่เคยภาวนามา ก, ก่อนมันก็เลยเป็นของยากแต่ถ้าเราไปนับฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะกลายเป็นของง่ายขึ้นมาเองต้องอดทนต้องใจเย็นๆดูแลครูบาอาจารย์เวลาที่ท่านเสียใจ เราควรทําอย่างไรครับครูอาจารย์ท่าเสียใจแล้วจะทำยังไงก็ถ้าทําให้ท่านไม่เสียใจแล้วก็ทําไปถ้าทําให้ท่านไม่ให้เสียใจแล้ก็ทํำไปถ้าทําให้ได้ก็เฉยๆไปครับคุณเข็มจีลาครับรู้ว่าเพื่อนร่วม ง, งานเอาเปรียบแต่ก็เต็มใจที่จะถูกเอาเปรียบอยู่อย่างนั้นไม่ได้มีความสุขหรือความทุกข์อะไร จะเป็นบุญที่ยอมเพื่อนหรือเป็นบาปแก่ตัวเองไหมครับมอนก็เป็นการทำใจให้เราไม่ทุกข์การพิจารณาปัญญาต้องพิจารณาสอนจิตตนเองจนปล่อยวางได้ใช่ไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราเรายึดติดก่เวลาเราต้องพิจารณาสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเราก็ปล่อยวางได้ คุณลบพวิตครับบอกว่าถอดจิตมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับไม่มีหรอการถอดจิตนังถอดไม่ได้เลยจิตมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นมีแต่การสึบจิตได้กนะารควบคุมจิตใจให้มันสงบการปฏิบัติเนี่ก็ควบคุมจิตใจให้สงบไม่ได้ไปถอดจิตถอดแล้วไปวางไว้ที่ไหนนะครับคุณพาวินีถามว่าจิตส่งนอกคืออะไรครับ ก็จิ lane, คิดมุงแต่งถึงราบรู้สารเสริญถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่วันจิตออกนอกถ้าติดเข้าข้างในก็พุทโทพุทโทนี้เป็นการหนึ่งเจ็ดเข้าข้างในคุณชัยครับการสวดมนต์ถ้าเราไม่รู้คําแปลหรือความหมายบทสวดบาลีเราจะได้อะไรจากการสวดมนต์บ้างครับรได้เราได้ความสงบถ้าเราสวดด้วยด้วยการมีสติไม่ไปคิดเรื่องราวาต่างๆอยู่ก็บบทสวดมนต์ไป เราก็จะได้ความสงบจากการสวดมนต์แต่ถ้าเราเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์เราก็จะได้ปัญญาความรู้ช่วงเราฝึกพิจารณาอ่านตามหนังสือก่อนให้เข้าใจได้ไหมครับไม่เท่กัอ่านตามหนังสือก่อนให้เวลาสวมดมนต์เกพิจารณาครับอาจารย์ได้เมื่อตอนละลายตลาด จ, จะอ่านวิธีพิจารณา ย่งหลงตาทนก็สอนให้แยกให้พิจารณาการสามสิบส อ, องร่างกายให้เราสาามรถให้ดูผมดูขนดูเล็บดูฟันด้วยนะคงๆเราก็ต้องเรียนรู้การวิธีที่เราจะพิจารณาแล้วเราก็เอามาสอนเราให้พิจารณาตามที่ท่านสอนคุณสิทธิรักครับบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อก่อนไม่นิ่งเลยแต่ตอนนี้สรวจอิติปิโสทุกคืนตอนนี้ดีขึ้นมากครับเพราะเราเริ่มมีสตินะมันทําให้ใจเราสงบ พอใจเราสมรับเราก็จะมีความสุขอาการซึมเศร้าต่างๆก็จะหายไปพยายามฝึกสติให้มากสวดให้บ่อยเวลาอะไรที่เรารู้สึกมีความเศร้าขึ้นมันก็สวดไปเลยอย่าปล่อยให้มันเศร้านานมันไปอย่บรรยากาศเป็นความซึมเศร้าขึ้นมาอีกคุณรัตนาบอกว่านอนหลับสะดุ้งครึ่งหลับครึ่งตื่นเห็นจิตออกจากร่างครึ่งตัวจิตมองร่างหลับอยู่แล้วก็กลับเข้าร่างอีกทีอย่างนี้เป็นอะไรครับก็เป็นความปรุงแต่งของจิตนะ คุณอนมาครับตอนนั่งสมาธิแล้วจิตคิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ทําถูกไหมครับอย่างนี้ยังจิตยังไม่สงบอย่าปล่อยให้มันคิดเถ้าใช้พุโทโธให้มันกลับมาอยู่ที่พุโทโธพุทโธถ้าดูเรามาให้กลับมาดูที่เราอย่าปล่อยให้อย่าไปคิดตามจิตถ้าคิดแล้วมันจะไม่สงบสวดมนต์ก่อนนอนแล้วมันชอบหาวเป็นเพราะอะไรครับ พ่มันใกล้เวลานอนเนี่ยก็นอนเลยเพราะสวดเสร็จก็ก็นอนถ้ามีปัญหาก็จะนอนก็นอนบางครั้งก็ยังไปสวดตอนนี้ก่อนนอนสวดตอนนี้ยังไม่ง่วงลองสวดตอนที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วก็สวดดูเปลี่ยนเวลาสวดแทนคุณพงเทพครับปฏิบัติอย่างไรให้ใจเป็นกลางกับความสุขความทุกข์ครับ ก็เนี่ยมีสติทําใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วจะมีอุเบกขาใจก็จะเป็นกลางกับความสุขกับความทุกข์จะเฉยเฉยกับความสุขกับความทุกข์คุณแจ็คบอกว่าหัวใจสําคัญที่พระพุทธองค์ค้นพบคืออะไรครับก็อนิยสัตว์สทุกนี้เกิดจากอะไรทุกเกิดจากความอยากและการอยากกาจัดความทุกข์ต้องทำอย่างไร ก็ต้องละความอยากด้วยการจะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอันนี้แหละคือหัวใจของการตัดสินของพระพุทธเจ้าคุณเฮริเคนครับถ้าสวดมนต์แบบเล่นๆ เ, เหมือนแบบร้องเพลงเล่นถือว่าบาปไหมครับไม่บาปอย่างเป็ น, นอาจารย์จะไม่ได้ผลนะเราสวดมนต์นี้เพื่อให้มีสติเพื่อทำใจให้สงบ สวดอิติปิโสหนึ่งร้อยแปดจบในใจตอนที่ซักผ้าทำสวนทำกับข้าวอย่างนี้ได้บุญไหมครับก็อยู่ที่ว่ามันสงบแล้วไม่สงบนะคุณพุทธิพัฒ์ครับปฏิบัติถือศีลข้อห้าขายจ่ายแจกเหล้าผิดศีลไหมครับแต่ก่อนชอบสะสมเหล้าไว้เยอะครับถ้าเราไม่ดื่มไม่ผิดแล้วผิดแต่ปฏพฤติกรรมที่ไม่ควรอยากระทำ ส่งเสรไม่ค็เลยเ่าเติมเลาให้เขาเมาไม่ไม่ควรที่จะทำนี่เอาไปทิ้งเฉยเฉยเลยใช่ไห้ครับอาจารย์เอาไปใช้ยที่นีกว่าเพราะมันเป็นโทษทั้งร่างกายและจิตใจเหนื่อยสลายก็อาการนอกพิศลาให้กับร่างกายเนสลาแล้วเกิดอาการเป็นเมาก็ขาดสติอาจจะไปทำร้ายผู้อื่นได้ คุณสติครับอารมณ์อิจฉาหึงหวงต้องได้ภูมิทํามขั้นไหนถึงจะละได้ครับไม่รู้เมนกันนะคนถึงขั้นไหนต้องขอภายตอบไม่ได้ฟังธรรมะจนหลับไปได้อั น, นิสงฆ์แค่ไหนครับไม่ได้คุณสลาวุธครับ การปฏิบัติธรรมะเราต้องเจอกับความทุกข์ก่อนจึงจะพบความสุขได้ใช่ไหมครับก็ส่วนหนึ่งก็คือเวลาปฏิบัติมันก็จะต้องเจอกับความทุกข์ยากลำบากที่เกิดจากการทําในสิ่งที่เราไม่เคยกระทํามาก่อนแตถ้าทำใจให้สงบได้เราก็จะได้พบความสุขตามมาต่ อ, อไปคุณคริสครับนั่งสมาธิทุกเช้าประมาณสิบถึงสิบห้านาที รู้สึกได้ถึงความตั้งมั่นของจิตเป็นประโยชน์ต่อห น, น้าที่การงานจริงๆครับออนทคอมเมนต์ครับคุณอีฟครับเป็นคาราวาสครับต้องทําอย่างไรจึงจะข้ามการมาราคาได้ครับก็เราพยายามขั้นตอนกั้นตอนรักษาศิลสินแปดสินห้าสิลห้าก่อนก็ได้แล้วก็มาค่อยเป็นสินแปดขั้ตอนก็อยาา่าประพฤตผิดประเพณี ถ้าจะไม่นุ่งหลับนอนก็ร่วมหลับนอ น, น, นกับคู่ของของเราเพียงคนเดียวขั้นต่อมาก็มาถือสินแบกบางวันก็ไม่ให้มีการร่วมเพศกันเลย้ถ้าอยากจะทําให้เลิกได้อย่างถาวาก็ต้องพิจนารณาร่างกายของแฟนเราว่าไม่สวยงานดูอาการ312ของร่างกายโดยเฉพาะอาการภายในภายที่อยู่ใต้ผิวห น, น, นังเนืเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆ ถ้าเห็นว่ามันก็จะทำให้หการมาลงนี้างั ง, งับไปได้คุณ j จวครับหากผู้ให้กำเนิดเราท่านมีความขุ่นข้องใจและฝังใจกับเรื่องราวในอดีตกับอีกท่านหนึ่งและต้องการให้เราเห็นชอบด้วยเพื่อสนับสนุนความเกลียดชังนั้นเราเป็นบุตรควรนำหลักธรรมใดมาปฏิบัติครับก็อยู่เป็นกลางไม่ใช่เรื่องของเราใครจะเกลียดก็ปล่อยเเกลียดไปแต่เรา รู้ว่าความการเกลียดชังนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรที่จะส่งเสริมแล้วก็อย่าไปเกลียดตามได้แล้วก็เฉยๆไปแต่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปทะเลาะ บ, บอกแหวงเขาอยากจะเกลียดก็ไปเขาเกลียดไปส่วนเราก็เราก็เฉยๆไปแล้วก็บอกว่าเราไม่เกลียดใครทั้งนั้นเราว่าการเกลียดชังนี้มันเป็นกรมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นกิเลสมันจะทําทให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา นอนสมาธิกับนั่งสมาธิได้บุญต่างกันไหมครับนอนสมาธิมักจะหลับนั่งสมาธิมีโอกาสที่ทําใจให้สงบทใจสงบก็จะได้บุญคุณกิ่งครับเราจะตัดความคิดถึงได้อย่างไรครับก็หยุดคิดไงเวลาคิดถึงเราก็อจะคิดพุด โ, พโต้พุโธแทน คุณปุ้มครับถ้าปฏิบัติทุกวันแต่ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงยังไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติเท่าที่ควรทําให้รู้สึกไม่มีกําลังใจเกิดความท้อเบื่อหน่ายมีวิธีช่วยให้ไปต่อในการปฏิบัติได้อย่างไรครับก็อาจจะต้องไปอยู่กับคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปศึกษากับพระไปอยู่กับพระอาจารย์ที่เก่งๆแล้วก็ให้ท่านสอนวิธีการปฏิบัติให้กับเรา ที่ถูกต้องอันนี้เราอาจจะปฏิบัติแบบไม่ถูกต้องและปฏิบัติน้อยไปก็ได้ยิงทําให้ไม่เกิดผลขึ้นมาทางที่ดีคนจะมีโค้ดสอนมีมีติวเตอร์ถ้าสอบวิทย์ได้คะแนนไม่ดีก็คนจะไปหาติวเตอร์ทางวิทย์มาสอนเพราะตัวเราเองไม่มีความสามารถพอที่จะสอนตัวเราเองได้รู้สึกบาปที่ทําผิดดีไหมครับจะได้บุญไหมครับ การรู้สึกว่าการทำบาปมันเป็นเพจเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปททรกระทํำซ้ำเองก็ดีถ้าเราไม่ไปทําอีกก็ถือว่าดีแต่ถ้าเรารู้สึกผิดแล้วเรายังกลับไปทําเหมือนเดิมอยู่ก็ไม่ดีคุณอีฟครับในการทํางานที่ต้องพูดทั้งวันทําให้สติลดลงเพราะต้องออกจากคําบริกรรมจะมีวิธีอย่างไรให้สติเพิ่มครับให้มีสติอยู่สิ่งที่เราพูดก็ได้ เราพูดแต่ให้สติรู้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังพูดอยู่อย่าไปพูดแล้วใจเราไปคิดเรื่องอื่นในขณะเดียวกันให้อยู่กับการพูดอย่างเดียวอันนี้ก็ยังมีการฝึกสติอยู่คุณนิ้งครับการที่เราลงโทษนักเรียนที่กระทาผิดวินัยแบบนี้เป็นบาปตอกันไหมครับไม่บาปเลเถ้ามันเป็นมันเป็นหน้าที่พระพุทธเจ้าก็ลงโทษพระพระที่ทําผิดเนี่ย สินหนักก็ให้ลาสุดขาไปเลยก็มีคุณไพโรธครับกระผมปฏิบัติฟังเทศสลับสวดมนต์ขณะทำงานรอลูกค้าบางทีก็นั่งดูลมแบบนี้ได้บุญกุศลไหมครับก็ถ้าใจเราสงบก็ได้บุญถือสีนห้าแต่ไม่ได้สวดมนต์ภาวนาทำสมาธิจะเป็นคนไม่ดีหรือบาปไหมครับ ถ้าถือศีลห้าได้ก็ถือว่าเป็นคนคนดีคนที่ถือศีลห้าจะไม่ไปทํำความชั่วต่างๆก็ถือว่าเป็นคนดีคนที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่โกหกหลอกลวงอันนี้ถือว่าเป็นคนดีไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้การนั่งสมาธิไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นการนั่งสมาธิทําให้เราเปความสุขใจมากขึ้นต่างหากคนเราเรื่องกับการการเป็นคนดี คุณสุภาพรณ์ครับกราบขอพระอาจารย์สอนการฝึกเจริญปัญญาหลังจากออกจากสมาธิครับก็เราต้องพิจารณาตายรักในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง, ง 1, ที่เรายังยึดติดอยู่ถ้าเรายึดติดกับสามีหรือภรรยาของเราเราก็ต้องพิจารณาว่าสามีภรรยาของเราเป็นคนของไม่เที่ยงมีวันใดวันหนึ่งก็อาจจะดับไปก็ได้จากเราไปก็ได้แล้วถ้าเรา ถ้าราไม่อยากจะทุกเราก็ต้องยอมรับความจริงอย่าไปยึดอย่าไปติดเขาอย่าไปอยากให้เขาไม่ไม่จากเราไปอันนี้คือการพิจารณาทางปัญญาเพื่อให้เรากําจัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเมื่อเราพิจารณาแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาเป็นของไม่เที่ยงวันในวันหนึ่งเขาก็อาจจะต้องจากเราไปถ้าเร า, าเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเราก็จะเราจะได้ยอมรับมันได้ ถ้าายอมรับกันได้เราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่เขาจากออกไปคุณคํำรัสครับเวลาทรมานทางกายจากการเจ็บป่วยควรวางจิตยอย่างไรให้ไม่ทุกข์กับอาการทางกายครับ ท, ทํำเฉยเฉอย่าไปอยากให้อาการเจ็บคไายได้ป่วยหายไปมันจะอยู่ก็อยู่ไปรักษาได้ก็รักษาไปรอให้มันหายไปเองอย่าไปอยากให้มันหายความอยากให้มันหายมันจะทําให้เราทุกข์ทรมานใจ คุสุธาราัฐครับผู้หญิงไปวัดนั่งอยู่กับพระสองคนผิดไหมครับพระมันผิดเพราะพระนี่ตามปกติจะไม่ให้อยู่สองต่อ2กับศสกกาในที่รับหูรับตาถ้ายังไม่เป็นที่รับหูรับตาคืออยู่ในสาลายัยง้ม่มีศรัทธาผู้หญิงมาถวายของนี่ก็ยังพอที่จะอนุโลมได้อยู่ คำถามที่สองครับลูกเห็นคนไปชอบขอนั่นขอนี้กับพระที่มีชื่อเสียงแล้วก็ไปแก้บนเป็นความจริงอยู่หรือครับหรือว่าบุญกครับเป็นความหลงไม่ความหลงคนคนรั่งสมัยนี่หลงกันมากที่ว่าไปกราบพระและ้วไปขออะไรต่างๆจากท่านได้้าพระก็หลงด้วยพระก็เออออไปด้วยเล่นไปด้วยก็เลยก็เลยเป็นเรื่องราวเนยใหญ่โตขึ้นมาเป็นข่าวเป็นราวอยู่เรื่อยๆเนี่ย พระ อ, องค์นี้เสร็จเปล่าพระ อ, องค์นั้งทำนู่นทำนี่นนใช่เวลาป้าให้ข้าวหมานแมวจอผลบุญนี้ให้บิดามารดาที่เสียไปแล้วได้ไหมครับได้ก็เป็นการทำบุญทำทานเหมือนกันทำเวลาเรามีความสุขใจเราก็ความสุขใจนี้อุทิศไปให้กับผู้ที่นองนับไปแล้วได้คุณธนาทิพย์ครับ ถ้าดูหนังดูละครแล้วไปติดใจในความสุขที่อยู่ในการดูหนังดูละครถือเป็นกิเลสด้านกามารมณ์ใช่ไหมครับควรจะละอย่างไรจึงจะไม่ให้หลงยึดติดครับอย่าไปดูถ้าดูอยู่แล้วมันยึดติดก็อย่าไปดูเลิกอยู่เมืนกับบุญเถ้าร่วมสุบแล้วมันเป็นเพลิเป็นภายก็เลากสูบไปชั่ลาต่างๆนี้มันก็เหมือนกันต้องเลิก อ, อย่างเดียวถ้าเราล่วงเมนเทนกับเรา คุณอะรายาบอกว่ามีคนทักครับว่ามีวิญญาณติดตามเราอยู่ควรทํำยังไงครับก็ฟังหูไหว้หูไปแล้วเราก็สังเกตดูว่ามีหรือไม่เราต้องรู้เสร็จกว่าถ้ามีดรงวิญญาณติดตามมาอยู่คุณทินพัฒนครับตอนนี้มีปัญหากับคุณแม่เรื่องพฤติกรรมที่แม่ทําไม่ถูกต้องเลยแยกออกมาจากแม่เพื่อลดการประทะและเพื่อตัวเองทําใจได้แต่ไม่ได้คิดจะทิ้งแม่ ถ้าแม่อนาคตแม่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆก็พร้อมแบบนี้บาปไหมครับไม่บาปหรอกอางใดถ้าเรายังไม่ละในหน้าที่ของเราคือการเลี้ยดูแม่เวลาที่ท่านเดือนน้อยก็การไม่การไม่อยู่ด้วยกันนี้ไม่ถือว่าเป็นการบาปอย่างใดอาจจะเป็นการดีทีเพราะอยู่ด้วยกันแล้าจะทําบาปต่อกันก็ได้อาจจะทะเลาะกันด่ากันว่ากันันนย่ายกันอยู่นี่ก็ล้ว การที่เราตักบาตรออนไลน์จ่ายเงินให้แม่ค้าแทนเราได้บุญไหมครับได้พอเราโอนเงินไปปัป๊บเราก็ได้ทันทีเลยถึงแม้ยังไม่ใช่ถึงเวลาใส่บาตรก็ตามแต่เราได้ทําบุญไปแล้วสำหรับแม่ค้าเขาจะทําตามที่เขาตกลงหรือม่ก็ยอยู่ที่ตัวเขาถ้าเขาทาเขาก็เขาก็ไม่เสียสัจจะเขาก็ไม่ได้ทําบาปแต่ถ้าก็รับเงินไปแล้ว เ, เขาเก็บไว้เฉยๆเขาไม่ได้ทำบุญให้กับเรา เราก็ยังได้บุญอยู่แต่ตัวแม่ค้าจะได้บาปแทนเพราะทํำบาปลักทรัพย์ของผู้อื่นหลอกลวงผู้อื่นดรธินกรครับปฏิบัติแล้วเห็นการเกิดดับในระดับใดจึงจะเกิดความจางพลายและละสังโยชน์ได้ครับก็เห็นร่างกายนนั้เกิดแล้วต้องตายแล้วไ ม, ไม่ไม่ทุกกับความตายเห็นว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่ทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะละสังโยชน์ ข้อสีรับอักรยาเิติได้แฟนให้ไปซื้อเบียร์มาให้เป็นอะไรไหมครับบาปไหมครับไม่บาปเนาะการเดือดชลางก็เป็นกาเป็นการเสพอ บ, บายะมุกคนซื้อก็ยังไม่บาปแต่คนจะทำหรือไม่ไม่ควรทำเพราะเป็นการส่งเสริมให้คนขาดสติแล้วอาจจะไปทำบาปต่อไปได้ คนเอมตี voilà ้ค <virtually> ร so ับกรุณาคืออะไรครับความสงสารเวลาเห็นใครเขตกทุกข์ได้ยากก็อยากจะให้เขาหายจากการตกทุกข์ระยากก็ช่วยเหลือเข้าไปการสวดมนต์แบบออกเสียงกับไม่ออกเสียงได้บุญต่างกันไหมครับก็อยู่ที่ว่าสวดด้วยสติหรือไม่มีสติถ้าสวดด้สติทําใจให้สงบก็ได้บุญถ้าสวดร้อนใจลอยฟุ้งซ่านก็ไม่ได้บุญ คุณใบบุญครับปฏิบัติศีลแปดสามารถไปเดินตลาดเพื่อซื้อของมาทำอาหารได้ไหมครับถือว่าผิดศีลไหมครับก็ไม่ทราบผิดข้อไหนบ้างเพนก็ยังทำได้อยู่เห็นแต่ว่าเขาไม่นิยมกันเนทะ่าถ้ายังต้องไปทำงานทำการก็ถือศีลห้าไปถ้าถึงศีลแปดนี่เราต้องการที่จะสำรวมตาหูจมูกนิ้นกายแม่ออกไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแม่ว่าจะไม่เป็นหมอสมบันเทก็ตาม อันนี้แต่ก็ปฏิบัติได้ทําได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ผิดข้อไหนเนี่ยในแปดข้อนี้ก็ไม่มีข้อห้ามว่าไม่ให้ออกไปทํำกับข้าวถ้าเราจะไปทําบุญแต่มีคนที่ไม่ชอบมาขอไปด้วยแต่เราไม่ให้เขาไปด้วยบาปไหมครับก็แสดง ว, ว่าเราไม่ให้ให้เปิยโอกาสให้เขาได้มาร่วมทําบุญก็ไม่บาป ไม่มีไมมม่ีความเมตตาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับอยากทราบความหมายของคําว่ายานกับคําว่าฌานครับว่าแตกต่างกันอย่างไรครับยานคือความรู้เ ป, เป็นปัญญานชนฌานนี่เป็นความสงบเป็นสมาธิยานคือความรู้เปหรือปัญญาฌานคือความสงบหรือสมาธิคุณกุ๊กไก่ครับ ถ้าวันไหนไม่สะดวกสวดมนต์แล้วนอนสวดมนต์บทที่เราท่องได้จนหลับได้ไหมครับก็ไม่มีข้อห้ามเพียงแต่ว่าจะได้ได้ได้สติหรือไม่ได้สตินะการสวดมนต์เปในการฝึกสติแต่ถ้าเรานอนสวดแล้วเราหลับก็แสดงว่ามันไม่ได้ม ไ, ม ไ, ดมไม่ได้ฝึกสติเพราะมันหลับไงเวลาหลับมันก็หมดสตินี่มันก็ไม่ได้ประโยชน์จากการสวดอะไร ได้ได้ได้ได้จากการนอนหลับง่ายก็ได้เปัญญานอนหลับไปอาจจะไม่ได้สติให้าได้สติก็นั่งสวดอย่าให้มันหลับให้มีสติให้ตื่นตัวเช่นเราอยากเราไม่อยากจะนอนเราอยากจะมีสติให้ตื่นแล้วก็นั่งลุกขึ้นมานั่งสวดมนต์คุณนัทครับคุณแม่เพิ่งเสียบางคนแนะนําให้นําอัฐิส่วนใหญ่ไปลอังคานส่วนหนึ่งไปบรรจุที่เจดีที่บ้านเกิด ส่วนนึงใส่โกรธไว้บูชาที่บ้านแบบนี้เหมือนเราแยกร่างท่านทางพุทธศาสนานี้ถูกต้องไหมครับหรือเราควรจะจัดการอย่างไรดีครับไมันได้แยกหรอเพราะมันเป็นมันเป็นขี้เท่ากันนะมันแยกถูกแยกด้วยการเผาไม่หมดแลนะแต่อย่างเดียวกันก็คือขี้เท่าจะทําอย่างไรก็ได้จะเอาไปลอยอันคายทั้งหมดเลยก็ได้จะเก็บไว้ในในโกรธหรือในที่ไหนเพื่อ เพื่อบูชาก็ได้อันนี้แล้วแต่ความพอใจของของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับคุณนิรุตบอกว่าถ้าผมเอาเวลาสวดมนต์ทำวัดเย็นที่วัดใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงมานั่งสมาธิดีกว่าไหมครับถ้านั่งได้ก็จะดีกว่าถ้าทํานอาจรให้สมอได้การนั่งสมาธิจะได้ประโยชน์มากกว่าการระสวดมนต์แต่บางทีเรานั่งสมาธิไม่ได้เราก็ต้องอาศัยการสวดมนต์ เนการเจะจะิสติฝึกสติไป ก, กาา่อนโ อ, นอนกาสการมม พ, พาอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ด้วยกันในเฟซเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าในยูหกร้อยหกสิบในคลับห้าคนครับในติกตอกสี่ร้อยแปดสิบห้ารวมมีเพื่อนเพื่อนฟังทำด้วยกันหนึ่งพันเก้าร้อยกบเก้าคนครับอาจารย์ครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนทนา ถามสอบคําถามหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากแม้บากไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มากก็น้อยพระที่จะได้นํามาไปใช้ในการปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปการแสดงการสนทนาธรรมสําหรับคืนนี้พิคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงรำอสิ่งที่ท่า น, นได้ฟังไปพิจิตรพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอญสาธุ ก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมทุกฝ่ายไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุจัดเข้างานใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอจเจริญพรขอบพระคุณพระ อ, อาจารย์ครับ